อาจารย์ครับกล่าวในวารการครับผมนรานพรท่านผู้ชมผู้ฟังวันคุณหมอครับอาจารย์ครับวันนี้เป็นวิสัชนาธรรมครั้งที่หนึ่งร้อยี่สิบสองนะครับอาจารย์ครับแต่ก่อนเข้ารายการผมขออนุญาตอาจารย์ครับวันนี้มีคนไปใส่บาตรเยอะหมครับสามร้อยหกสิบห้าคนสามร้หกสิบห้าคนครับถามเพื่อให้มีตัวเลขครับอาจารย์ เพื่อมีบางคนต้องการจะนเลยพระอาจารย์ครับตอนนี้มีคนมารอฟังห้าร้อสสิบคนแล้วครับวันนี้ผมตั้งหัวข้อเรื่องว่าการปฏิบัติจากเริ่มต้นจนบรรลุธรรมครับเหตุผลเพราะว่าเมื่อที่ที่ผ่านมาครับพระอาจารย์ผมได้ไปดูไม่มีคิปติ๊กต็อกคดิป u t u b e อะไรเงี้ยครับก็มีเขามาสอนธรรมะกันแล้วเขาบอกว่าข้ามไปเลยอนาปานสติทาไม่ได้ทายากข้ามเจริญปัญญาอริยสัจสี่ไปเลยครับผมฟังแล้วผมก็ รู้สึกว่าอยากจะขอความเมตตาพระอาจารย์ช่วยให้ความเห็นที่ถูกต้องกับพวกเราครับเผื่อคลินี้จะได้ไปช่วยเป็นส่วนหนึ่งในความเห็นที่ถูกต้องของศาสนาเราครับพระอาจารย์ครับกับมาความเมตตาครับหลักสูตรที่พุทธา ส, สอนให้ปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้นจากความทุกข์ก็เหมือนกับหลักสูตรทางโลกทางโลกเขาก็มีหลักสูตรที่นักเรีนยนจะต้องเดินกันเริ่มตั้งแต่ชั้นอนุบาล เราขึ้นชั้นปฐมชั้นมัธยมเราถึงค่อยไประดับปริญญาตรีโทเอกตามลําดับไม่มีใครสามารถที่จะข้ามขัม้ขนไปได้นอกจากว่าถ้าได้เรียนมาแล้วก็กข้ามได้เช่นถ้าคุณมหมอเคยจบหมหกมาแล้วก็ไม่ต้องไปเรียนที่ชั้นมัธยมก็สามารถเข้ามหาลัยได้เลยแต่ถ้ายังไม่จบหมหกยังไม่จบปถมหกนี่ ก็ต้องไปเรียนที่ชั้นที่เรายังไม่ได้จบก่อนหกลักสูตรทางาศาสนาก็เหมือนกันก็แบ่งไว้สาสามขั้นทานศีลภาวนาอันนี้ก็ต้องดูว่าเราอยู่ในขั้นไหนเราทำขั้นไหนได้ทานเราทำได้เต็มร้อยหรือยังคือการสละทรัพย์สมบัติยอของเงินทองถ้าสละได้หมดก็ ไม่ต้องทําทานอีกต่อไปเพราะไม่มีเงินจะทําทานแล้วเช่นเวลาไปบวชนี่เขาก็ไม่ให้เราเอาเงินทองติดตัวไปมีแต่อธธาถรรพบริการที่มีไว้สําหรับใช้การดํำรงชีพของพระถ้าเป็นพระแล้วก็ไม่ต้องมาทำบุญทําทานเหมือนญาติอยู่เพราะว่าการทำบุญทําทานนี้ก็เพื่อปลดเพื่อง ความผูกพันอยู่กับทรัพย์สมบัติเข้าของเองินท่านั้นเองเพราะถ้ายัางติดอยู่กับทรัพย์สมบัติเข้าของเองินท่าก็จะไปปฏิบัติธรรมขั้นสูงต่อไปไม่ได้เพราะจะต้องมาห่วงเรื่องทรัพย์สมบัติต้องมาดูแลทรัพย์สมบัติอะไรต่างๆอย่างพระพุทธเจ้าก็ต้องเสด็จออกอย่างพระราชวังไปสรงราชสมบัติท่านานับบวชนี่ถือว่าเป็นผู้ที่ทําทาน ผ่านขั้นทานไปแล้วไม่ต้องทำทานอีกแล้วเพราะไม่มีอะไรจะทำแล้วมันหมดหมดเนื้อหมดตัวแล้วมันเหมือนคนสิ้นเนื้อปดาตัวทางโลกก็อาจจะมองว่าไม่ดีคนไม่มีทรัพย์สมบัติข้าของเงินทองแต่ทางทางก็ถือว่ามันไม่เป็นมันก็ปลดเปื้องภาระที่จะคอยออชุดจิตใจให้ติดอยู่ในวัฏจักรแห่งการเวียนว่ายตายเกิด เพราถ้าถ้าเรายังมีทรัพย์สมบัติอยู่เราก็ต้องทําทําบุญไปจนการเราสามารถที่จะสละทรัพย์สมบัติไปได้หมดอันนี้ก็จะบวชได้ก็จะได้ไปบวชได้งั้นขั้นที่สองก็คือศีลเนี่ยพอมาบวชก็ต้องมารักษาศีลศีลนักบวชก็มีหลายระดับระดับอุบาสกอุบาสิกาก็ถือว่าเป็นนักบวชได้ จะเป็นนักบวชแบบชั่วคราวอย่างคุณหมอเวลามาอยู่บนเขาเนี่ก็ก็ไม่ต้องไม่ต้องกังวลเรื่องเรื่องทําบุญทําทานมาก็รักษาศีลแล้วก็มาภาวนาศีลแปดขึ้นไปศีลแปดถ้าเป็นสา ม, มเณรก็ศีลสิบถ้าเป็นพระก็ศีลสองอยิบเจ็ดเป็นแม่ชีก็ศีลแปดหรือศีลสิบเหมือนสา ม, มเณรก็พอเพียงต่อ การห้ามปลามจิตใจไม่ให้ไปไปเสบรูปเสียสงกลิ่นรสต่างๆไปแล้วความสุขจากรูรปเสียงกลิ่นรสผละผพาเพราะถ้าเรายังติดการติดการเสพการอยู่เราก็ยังจะต้องกลับมาเป็นว่าตายเกิดในการมาพบอีกยังเราต้องออกจากการมาพบด้วยการทื้งสิ้แปดแล้วก็ไปบำเพ็ญภาวนาะก็มีแบ่งเป็นสองระดับ สมถะภาวนาหรือสมาธิแล้วก็วิปัสนาภาวนาก็คือปัญญาทีนี้ถ้าเราจะไปปัญญาโดยที่เราไม่มีสมาธิเราก็จะไม่มีเครื่องมือเพราะสมาธินี้เป็นเหมือนเครื่องมือของปัญญาเวลาที่ยางแตกหมอจะถอนยางออกจากรถนี้จะออกจากร้อรถเพื่อเปลี่ยนยางใหม่นี้ต้องมีเครื่องมือถ้าไม่มีเครื่องมือมือเปล่า ไปยกรดขึ้นมาก็ยกไม่ได้เพราะมันต้องมีแม่แรงนี้ยกไห้ล้อมมันลอยขึ้นมาก่อนแล้วก็ต้องมีที่คลายนอ็อตคลายน็อตที่ขันไว้ออกมาแล้ว ถ, ถึงสามารถจะเปลี่ยนยามได้ต้องมีเครื่องมือการที่จะเจารานปัญญาเพื่อละความอยากก็ต้องมีเครื่องมือถ้าไม่มีเครื่องมือเจริญปัญญาก็ไม่มีกําลังที่จะละความอยากได้ที่เราศึกษาลิขัตสี่ ท่านก็บอกว่าทุกข์เกิดจากความอยากอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายถ้าไม่อยากจะทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายก็ต้องหยุดความอยากไม่แก่หยุดไม่ความอยากไม่เจ็บยุดไม่ตายได้แต่มันมีมันไม่มีกำลังผู้ที่จะมีกำลังหยุดความอยากได้ก็คือสมาธิการน้าสมาธิพอจิตรวมเป็นสมาธิยินนิ่งสงบตอนนั้นความอยากทำงานไม่ได้ นิ่งเฉยออย่างตอนนี้ญาติโยมก็มีปัญญากันเยอะ ร, รู้กันเหมือนไม่ใช่อะไรอริยสัจสีมีอะไรบ้าง ท, ทุกเกิดจากอะไรเกิดจากต้านหาความอยากแล้วจะดับทุกตนต้องตรับความอยากระดด้วยม้อมากก็มีศีลสมาธิปัญญาเศีล ส, สมาธิปัญญาไม่จะไปข้ามสมาธิได้อย่างไร ถ้าไปข้ามสมาธิมันก็เป็นปัญญาแบบเป็นปัญญาแบบจินตาคือเป็นปัญญาแบบนึกคิดเอาแต่ไม่มีภาวนามาเป็นผู้สนับสนุนไม่มีเครื่องมือคือสมะถะภาวนาที่จะมาทําให้ปัญญากลายเป็นภาวนามายะปัญญาการจะละตัณหาดับความทุกข์ได้นี่ต้องใช้ภาวนามายะปัญญาปัญญาระดับอ ระดับที่สามระดับที่หนึ่งที่สองนี่เป็นปัญญาแบบฝึกหัดเล่าเรียนเมื่อตอนการเรีย น, นก่นอนสุตตมัจญาปัญญาก็เรียนรู้จากพระพุทธเจ้าว่าทุกเกิดจากอะไรจะละทุกละได้อย่างไรพอพอรู้แล้วทีนี้ก็มาลองทําดูเสิว่าเวลาเกิดความทุกข์ขึ้นมาเราละความอยากได้หรือเปล่าถ้าละไม่ได้ก็แสดง แสดงว่าเราไม่มีกําลังที่จะหยุดความอยากเราก็ต้องมาฝึกสมาธิฝึกสตินั่งสมาธิพอเราสามารถทําใจให้นิ่งได้เราก็หยุดความอยากได้มีกําลังหยุดความอยากได้เพียงแต่ว่าสมาธิมันหยุดความอยากได้เป็นชั่วช่วครั้งช่วล่าวมันไม่ได้ดับอย่างถาวรเพราว่ารากเง้ า, งาของของความอยากมันเกิดจากความหลง มันจะทำลายความหงความอยากได้อย่างแความหลงได้อยากเท่ า, าว่าต้องใช้ปัญญาความจริงความหลงก็คือไปเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นสุขแต่ความจริงมันไม่มีอะไรเป็นสุขในโลกนี้ทุกอย่างเป็นทุกข์เพราะว่ามันเป็นของชั่วคราวพอมันพอบรรดับไปความทุกข์ก็ตามมาทันทีเวลาคุณหมอสูญเสียอะไรไปนี่ความทุกข์ก็เกิดขึ้นมาทันที คนเสียสิ่งที่รักไปแล้วก็ไม่สามารถทําให้ใจหายทุกข์ได้ถ้าไม่มีสมาธิไม่มีอีกแต่ปัญญาหรือว่าของทุกอย่างเป็นทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงแต่พอมันมันมันจากไปก็ไม่มีความสามารถที่จะหยุดความทุกข์ได้เพราะยังมีความอยากให้ให้สิ่งนั้นอยู่กับเราต่อไปไม่อยากให้สิ่งนั้นจากเราไป มันก็เลยทําให้เราทุกข์แต่ถ้าเรามีสมาธิใจระวางเฉยได้เฉยเฉยได้พอสูญเสียอะไรก็ทําใจเฉยเฉยเพราะเราห้ามมันไม่ได้มันเกิดขึ้นแล้วเหตการเกิดขึ้นแล้วถ้าไปอยากให้มันไม่ไม่จากเข้าไปมันก็จะทําให้เราทุกข์คนที่รักผมต้องให้ามเราเสียคนที่รักไปเพราะอยากให้เขาอยู่ต่อไม่อยากว่าจากไปแต่ แต่ก็รู้อยู่ว่าเป็นธรรมดาทุกคนเกิมาแล้วต้องจากกันถึงเวลาเจอของจริงเข้าทําใจไม่ได้รู้แต่ทฤษฎีรู้แต่จิตตามมยาปัญญารู้แต่สุตตามมายาปัญญาแต่ไม่มีภาวนาะมยาปัญญาไม่มีใจที่สงบนิ่งเป็นสมาธิเป็นเครื่องมือที่จะมาหยุดความอยากได้คงั้นก็ลองข้ามไปดูก็ได้ก็ดูซิว่าจะ เวลาเกิดความทุกข์ขึ้นมาเราพิจารณาหาสาเหตุว่าเกิดจากความอยากอะไรแล้วเราหยุดความอยากนั้นได้หรือเปล่าถ้าหยุดได้ก็ไม่ต้องใช้ไม่ต้องไม่ต้องไปฝึกสมาธิแสดงว่ามีสมาธิติดใจติดมากับใจแล้วก็ได้เช่นบางตอนที่พระเจ้าทรงแสดงทำบางครั้งท่านก็แสดงคนฟังฟังเสร็ก็บรรลุทำได้เลย ก็แสดงว่าเขามีสมาธิอยู่แลนะขาดปัญญาเอาเจ้าสอนทำด้านปัญญาเขาก็นำปัญญามาละนําความอยากที่สร้างความทุกข์ให้กับเขาความทุกข์ที่มีในใจก็หมดไปก็ลองดูนะถ้าอยากจะข้ามขั้นไหนก็ได้ลองปฏิบัติดูเอาเป้าหมายของการปฏิบัติก็เพื่อดับความทุกข์ด้วยการละความอยากต่างๆ นะครับแต่โดยคนปกตินี้ก็ต้องตามขั้นนี้เลยใช่ไหมครับประถมมัธยมมหาวิทยาลัยตามําดับแบบนี้ใช่ไหมครับถ้ายังไม่มีภูมิภูมิที่สนับสนุนมันก็ไปไม่ได้นี่นะครับถ้าไม่จบมัทว่าถ้าไม่จบประถมจะไปสมบัตริเรียนมัธยมเขาก็ไปรับรน้องเองเขาก็ไปรับนอกจากว่าถ้าเป็นเด็กกัจฉเรียเนี้อาจจะรับไปได้คือให้สอบสอบเทียมถ้าสอบเทียมมีภูมิปัญญาที่อยาเรียนได้ก็เข้าได้ เด็กบางกรที่สอบเทียบเข้ามาอะไรได้ก็มีอายุสิบสองสิบสามปีเท่าที่กายได้ยินมาคนบางคนนะเขามีปัญญาพร้อมที่จะเข้าสู่ในระดับนั้นได้ดังนั้นแล้วพวกเราก็ต้องนั่งสมาธิกันต่อไปก่อนครับอาจารย์ <c oughs> การ <c oughs> นั่งสมาธิไมีใช่เป็นการสอบเทียบ เ, เราเราไปสอบเทียมหรือว่านั่งสมาธิทําใจให้นิ่งเฉยเฉยได้ไหม แล่วเวลานั่งกายเจ็บเราก็เฉยเฉยไม่ทุกข์กับมันได้หรือเปล่าถ้าได้เราก็ไปทางปัญญาได้นะทีนีคคาา้ครับคับขอบพระคุณพระอาจารย์ครับพวกเราคงดำเนินไปตามขั้นตอนครับอาจารย์ทำทานได้หมดหรือยังเรายังห่วงทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองอยู่ อาจารย์ครับจะขอโอกาสถามจากเพื่อนบ้างครับคุณแว่นบอกว่าขอความเมตตาแนะวิธีปฏิบัติในการละสังโยชน์สามครับทาอย่างไรครับก็นี่แหละก็สังโยชน์สามก็ตัวที่ต้องพิจารณาก็ตัวแรกตัวเดียวคือสักายาทิฏฐิคือร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราเวทนาที่เกิดขึ้นเช่นความเจ็บก็ไม่ใช่ตัวเรามันเป็น สภาวะธรรมที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปตามเหตุตามปัจจัยของมันแต่เราไปทุกข์กับมันเพราะเราไปอยากให้มันไม่ดับไม่อยากให้ร่างกายดับแล้วก็อยากให้เวทนาทุกข์ก็เวทนาดับแต่มันก็ไม่ดับมันก็เลยทำให้เราทุกข์แต่ถ้าเราพิจารณาว่าร่างกายการเวทนานี้มันเป็นของที่เราไม่สามารถควบคุมบังคับได้ มันมีขั้นมันมีเหตุมีปัจจัยที่ทำให้มันต้องเป็นไปร่างกายก็มีเหตุมีปัจจัยให้มันแก่มันเจ็บมันตายทุกขเวทนาก็มีเหตุมีปัจจัยทำให้มันเกิดเมื่อมันเกิดแล้วก็ไม่มีใครที่จะไปดับมันได้เมื่อเมื่อเหตุปัจจัยที่มันทำให้มันเกิดมันหมดหมดไปทุกมันก็ดับไปเองเวททุกขเวทนามันก็ดับไปเอง ยิ่ถ้าเราไม่อยากจะทุกกับร่างกายไม่อยากทุกกับความเจ็บไข้ได้ปวยของร่างกายหรือความตายของร่างกายเราก็ต้องปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติของมันมันจะทําได้ก็ต่อเราก็ต้องมีสมาธิที่ใจระวันนิ่งเฉยอยู่เฉยเฉยได้เวลาเจ็บก็อยู่เฉยเฉยได้เวลาจะตายก็อยู่เฉยเฉยได้ไม่มีไม่ได้มีความอยากให้มันไม่ตายไม่มีความอยากให้มันมันเจ็บแล้วอยากให้ความเจ็บหายไปไม่มี รู้เฉยๆไปเพราะรู้ว่าทําอะไรมันไม่ได้ถ้าไปอยากเราจะสร้างความทุกข์กับใจอันนี้ถ้าทําได้ก็จะมีดวงตาเห็นธรรมเห็นอริยสัจสี่เห็นว่าทุกข์นี้ก็จะความอยากและการหยุดก็หยุดความทุกข์ก็คือต้องหยุดความอยากและการจะหยุดความอยากได้ก็ต้องมีปัญญาเหน็นนั้นนิจจ์ทุกขังหน้าตา แล้วก็มีสมาธิที่จะทําใจให้อยู่เฉยๆให้ปล่อยวางล่างกายอันนี้ก็เพื่อจะทำให้มีดวงตาเห็นธรรมเห็นนิรันดราศาสตร์สี่ขึ้นมาอันนี้ไม่ได้เห็นเชิงทฤษฎีเห็นเชิงปฏิบัติเพราะทุกข์มันเกิดขึ้นตอนนั้นนะเช่นไปหาหมอแล้วหมอบอกเป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายเหลืออีกสามเดือนเนี่ยดูสิทุกข์เกิดขึ้นไหมถ้าทุกข์เกิดขึ้นใจนี่หวบลงไป ตกลงไปที่เท้าไม่มีกระจิกกระจายอยากจะทําอะไรต่อไปนะเพราะรู้จะต้องตายนี่ก็ดูเช่ว่ามีปัญญามาสอนใจตอนนั้นหรือเล่วเาว่าไอ้ร่างกายมันก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละถึงวันหนึ่งมันก็ต้องตายถึงวันมันต้องเจ็บได้ได้ป่วยไม่มีใครให้ามันได้ที่เราทุกขนี่เพราะอะไรเพราะเราไม่อยากให้มันตายใช่ไหมครับอถ้าเราอยากจะหายทุกข์เราทำไงเราก็ต้องหยุดความอยากให้มันไม่ตาย ก็ต้องปล่อยให้มันตายพอเรายอมตายพระความทุกข์ก็หายไปนี่มันเห็นในใจนเห็นเชิญเชิงปฏิบัติเห็นเห็นเป็นเหมือนเวทางมันไม่ใช่เป็นของที่เรามานั่งจินตนาการกันนะตอนนี้เราจินตนาการกันตอนนี้เราไม่ได้เจ็บค่าดได้ปวดตอนนี้เราไม่ได้ทุกข์จริงเราเพียงแต่คิดเฉยๆว่าเราทุกข์แต่ถ้าไปเจอของจริงเนี่ย เป็นปวดที่ไหนส่วนหนึ่งก็งร่ากายแล้วไม่ให้หมอตรวจสภาพหมอบอกเป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายเนี่ยตอนนั้นใจถ้าไม่ได้มีธรรมะมาก่อนมันก็จะตกควบลงไปทันทีแต่ถ้าเราพราปฏิบัติทำมาฝึกสมาธิทําใจให้เฉยๆได้แล้วก็พิจารณาร่างกายอยู่เรื่อยว่าร่างกายมันไม่เที่ยงมันจะต้องตายห้ามมันไม่ได้พอถึงเวลาไปหาหมอก็ตอเตรียมตัว เตรียมรับข้อสอบก่อนเตรียมคําตอบก่อนที่จะไปแนละ้วเพราะเพลอหมอบอกว่าเป็นมะเร็งก้านสุดท้ายก็ก็เฉยได้ถ้าไม่เฉยก็แสดงว่าปัญญาเรายังไม่ทันอิเลชความอยากมันยังอยากอยู่ยังอยากให้ยังอยากหายอยู่อันนี้คือการเห็นอริยาาสัจสีเวลาต้องเจอของจริงต้องไปเจอความตายเวลาจะละสังโยชน์จริงๆต้องเจอความตายต้องเจอความเจ็บ มันถึงจะเห็นทุกข์ทุกถึงจะเกิดขึ้นมาเมื่อทุกข์เกิดขึ้นมาแล้วเราก็จะได้อาใช้ปัญญาพิจารณาสาเหตุของทุกข์ว่ามันเกิดจากอะไรเมื่อเกิดจากความความไม่อยากเจ็บความไม่อยากตายนี่ถ้าเราอยากจะหายทุกข์เราก็ต้องหยุดความอย่างนี้ถ้าหยุดได้ก็ต้องใช้สมาธิหยุดมันใช้กําลังสมาธิแล้วปัญญาเราก็รู้อยู่แล้วว่าเราห้ามมันไม่ได้ห้ามความเจ็บไม่ได้ห้ามความตายไม่ได้ ต้องปล่อยวางอย่างเดียวแล้วปล่อยได้ก็ต้องมีสมาธิมิวเบคาอันนี้ก็แสดงว่ามีดวงตายเห็นธรรมแล้วไม่รู้ไม่สงสัยในผู้สอนแล้วใครเป็นคนสอนทฤษฎีนี้เมื่อเราเห็นทฤษฎีนี้ต้องรู้ว่าคนสอนทฤษฎีนี้มีจริงก็คือพระพุทธเจ้าแล้วก็ไม่สงสัยในพระและสงสารวจไม่จริงหรือไม่ เพาผู้ที่เห็นธรรมผู้ที่ปฏิบัติจนเห็นธรรมนี่ก็คือผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคือผู้ละสังโยน์ได้ก็คือพระอริยสงฆ์นี่เองเมื่อเราเนี่ยเป็นผู้ที่ละความลังในสงสัยในพระพุทธธรรมทั้งสอก็าหายไปไม่ต้องไปอินเดียไม่ต้องไปหาที่ดูว่ามีจริงหรือไม่มนุษย์อยู่แก่ใจของเราครูบาอาจารย์ต่างๆแต่ไม่ได้ไปอินเดียกันส่วนใหญ่หลวงปู่ม่นนานหลวงปู่ ลงตามมาหาบัวอะไ่ถ้ไม่ได้ไปอินเดียถ้าไม่สงสัยถ้าเห็นถ้ามีดวงตาเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตนะพระเจ้าบอกผู้ที่เห็นตถาคตก็คือผู้เห็นธรรมแล้วผู้ที่จะเห็นตถาเขาเห็นธรรมก็คือผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็คือพระอริยสงสาวก็คือพระโสดาบันขึ้นไปก็ยังไม่สงสัยแล้วก็จะไม่สงสัยในเรื่องของ ของการรักษาศีลการละ ก, การการะทําบาปเพราะเห็นว่าในใจนี้เวลาทําบาปนั้นใจจะทุกข์ขึ้นมาทันทีถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องไม่ทําบาปก็ต้องรักษาศีลก็จะเวลาเวลาทุกข์ใจก็จะไม่ไปทําพิธีการมอะไรต่างๆเพื่อเพื่ อ, เ พ, อเพื่อดับความทุกข์ใจก็รู้สาเหตุมนันมีสองอันอันหนึงก็คือการการะทําบาปอีกอันก็คือการความอยาก อยากได้นั่นอยากได้นี่พอไม่ได้ก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาก็ามาแก้ที่ตรงนี้แก้ที่ตัวความอยากแล้วก็แก้ตัวที่การกระทําำบาเมื่อทำบาแล้วทุกข์ใจครั้งต่อไปก็อย่าไปทํากันแล้วกันครับก็จะรักษาศีลไปตลอดชีวิตมรักษาศีลยิ่งกว่ชีวิตอย่างจำพระอาจารย์บอกครั้งก่อนได้ให้ขึ้นใจเลยครับที่พระอาจารย์ บ, บ, บ, บอกว่า ตายนั่นแหละไม่แปลกถ้าไม่ตายเนะี่ยแปลกพอฟังนี้แล้วดูใจมันเบาไปเยอะเลยนะครับอาจารย์ครับเป็นมันเป็นปัญญาแบบสุตรมยะปัญญาใช่ไหมครับอาจารย์พอฟังแล้วก็เออใช่จริงด้วยไม่ต้องมาเจอของจริงนะถึงจะเป็นมะพร้านวะมายะปัญญาเจอของจริงแล้วก็เป็นธรรมดาไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรครับเข้าใจรู้สึกเฉยๆกับความตายไนดะ้กับความเจนะ็บไ า, ายไนดะ้ป่วยได้ับ ก็ไม่ทุก็ถือว่าไ ด, ไ, ดได้ทันนี้ไปแล้วคุณดาครับการมตัญหาภาวะทันหาวิภาวะทันหาสามอย่างนี้แตกต่างกันอย่างไรครับการมัตตัญหาก็คือความอยากเสพ ร, รูปเสียงเกียรตรถเนี่ยความอยากดูหนังฟังเพลงกินดื่มอะไรต่างๆอันนี้เรียกว่าการมัตตัญหาอยากเสพ ร, รูปเสียงกียร <c oughs> ติรถภาวะทันหาก็คือความอยาก ได้สิ่งที่รักที่ชอบสิ่งเนี้ยที่รักที่ชอบก็อยากได้เนี่ยภาวะตันหามีภาวะทันหาก็คือความอยากไม่ไม่อยากความอยากไม่ได้ความอยากไม่เอ่อความอยากไม่เอาไม่ไม่ได้สิ่งที่เราไม่ชอบเช่นความแก่ความเจ็บไม่มีใครอยากได้กันใช่ไหมเขาเรียกว่าวิภาวะตันหานี่เวลาเจ็บแล้วใจเราทุกทรมานใจ เวลเจ็บไข้ได้ป่วยนี่ใจเราทุกข์ก็เพราะว่าเรามีวิภาวะตัณหาคืออยากให้ความเจ็บไหมหายไปไม่อยากไม่อยากได้ความเจ็บก็เรียกวิภาวตัณหาแต่มันก็มีมันมีความหมายข้อหมายหนึ่งก็คือในระดับสูงก็คือก็เอภาวะตัณหาก็คือความอยากได้รูก ป, ประชานเป็นความสุขรูกประชานนี่ก็เรียกว่าภาวะตัณหา แล้วความอยากได้ความสุขจากอารมณ ป, ประชาญก็เรียกวิาวภาวะฐานะอันนี้มันก็มีอยู่สองระดับด้วยกันระ <c oughs> ดับผู้ตุชนระดับทั่วไปนี่ก็ก็ถือว่าความอยากมีอยากเป็นเช่นอยากเป็นนายกอยากเป็นอะไรอยากเป็นคนรวยนี่ก็เรียกวาภาวะฐาหาวิภาวะฐานะก็คือความอยากอยาก อ, อยากเป็นไม่อยากถูกปลดออกจากการเป็นนายกเนี่ยเขาเรียกวิวภวะฐานา แ้วอยากไม่เจ็บอยากไม่แก่อยากไม่ตายนนี้่ก็เรียกว่าวิภาวะตานาคุณวินาครับการที่เราจะปฏิบัติให้บรรลุนิพพานต้องปฏิบัติตลอดยีสี่ชั่วโมงจึงจะไปนิพพานใช่ไหมคะและหากปฏิบัติอย่างเดียวแต่ไม่ทําทานจะไปนิพพานได้ไหมครับ <c oughs> ได้ถ้าปฏิบัติอย่างเดียวได้ก็ไม่ต้องทําทานแนะเสียเวลาไปทําทานทําไมเอาเวลามาปฏิบัติอย่างเดียว คุณวันเพ็ญครับลูกน้อมนำคำสอนพอระอาจารย์ปฏิบัติตั้งแต่ตื่นนอนท่องพุโทโธทำโมสังโฆเวลานั่งสมาธิดูลมหายใจบริกรรมพุโทโธสักพักลมหายใจเบาพุโทโธต่อเกิดสภาวะเย็นวา่าบใจสบายคืออาการสมาธิไหมเจ้าคะการาบพระอาจารย์ให้ความรู้อื่นพาความรู้อินทรีย์พะละครับมันก็เป็นมันก็คงเป็นความสง บ, บขั้นเื้องต้นก่อนมันยังไม่ถึงขั้นเต็มร้อย ถ้ามันเต็มร้อยนี่มันจะเกิดความมหาัศจรรย์ใจใจรู้สึกแปลประหลาดที่ได้พบกับความรู้สึกแบบนี้ที่ไม่เคยพบมาก่อนถ้ายังไม่ไม่ได้มีความรู้สึกแบบนั้นกย็ยังไม่ถือว่าเป็นสมาธิเต็มเต็มที่เต็มรูปแบบอาจจะเริ่มเข้าสู่เอ่เข้าสูลัทมิของมันแต่ยังไม่เข้าถึ ง, ถ ง, ถ ง, ถงใจกลางของมัน <c oughs> อาจารย์ครับขาถามเรื่องอินทรีย์กับพละครับอาจารย์อินทรีย์ก็คือธรรมะที่ทำให้เรามีกำลังกาลังใจนี้เกิดจากอินทรีย์ห้าอินทรีย์ก็คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาศรัทธาในเรื่องกฎแห่งกรรมในเรื่องการทำความดีมันก็จะทำให้เรามีพลังมีความมีความเพียรที่จะทำความดี มีสติที่จะจดจ่อที่จะคอยควบคุมใจให้ทําแต่ความดีมีปัญญาที่มี ม, มีมีปัญญาที่จะคอยสอนใจให้ให้ทําแต่ความดีอันนี้ก็เรียกว่าอ็นซีส่วนพละนี่ก็คืออินซีมันเป็นเป็นขั้นต่ําพละนี่เป็นขั้นสูงกําลังใจมีสองระดับระดับบุตุชนกับระดับพระอาริย ถ้าได้เป็นพระโสดาบันนี้อินทรีย์จะกลายเป็นพระละขึ้นมาแล้วมีพลังมากกว่าปกติมากกว่าธรรมดาความเพียรจะมากกว่าสติสมาธิปัญญาจะ ม, มีเรียกว่าเต็มร้อยก็ได้ครับนีพัฒนาขึ้นไปให้เต็มร้อยคุณนานาครับ หนูสงสัยว่าธาตุลมในธาตุสีมันต่างยังไงกับอากาศทธาท์คะถ้าช่องว่างในร่างกายเช่นรูจมูกได้อากาศสัทธาแต่ช่องลมในปอดหรือลมในลําไส้มันคือธาตุลมหรืออากาศสทธาต์หนูเข้าใจว่าลมหายใจที่เข้าไปหล่อเลี้ยงชีวิตรวมถึงลมในช่องอวัยวะร่างกายคือธาตุลมและก็คืออากาศทธาท์เหมือนกันทําไมต้องเรียกต่างกันครับอาจารย์ครับเขาแปลคาผิดไงความจริงอากาศทธาต์ควรจะเป็นอาอกาศที่ว่างจากอากาศเป็นช่องว่าง อวกาศซะท่านภาษาอังกฤษก็แปลว่า space ทีนี้คนภาษาไทยเรามาแปลเป็นอากาศซึ่งมันควรจะเป็นอวกาศตัวอ a มันมันมันเขียนเหมือนกันนะสะระ a กับตัว o แหวนมันคล้ายๆกันมันก็เลยไปคิดว่าเป็นอากาศความจริงมันเป็นอวกาศเป็นความว่างความว่างเช่นช่องจมูกเราก็เป็นช่องว่างใช่ไหมช่องว่างที่ให้ลมเข้าไปเข้าออกนะตัวลมไม่ใช่ช่องว่างนะ ตัวลมมันเป็นตัวตัวตัวลมที่มันมันพัดไปพัดมาเหมือนน้ําน้ําที่มันไหลไปไหลมาแต่ลมนี่มันไม่มันไม่ได้มีคุณสมบัติเหมือนน้ามันไม่ได้เป็นของเหลวของของเปียกมันเป็นของเบาฉะนั้นลมกับอวกาศนี่คนละเรื่องกันอวกาศสัทธาก็คือหมายถึงช่องว่างที่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏในจักรวาลนี้ ต้องอยู่ในอวกาศสถานใช่ไหมโลกต่างๆดวงดาวต่างๆอะไรต่างๆนี้มันอยู่ในอวกาศใช่ไหมครับอันนั้นคืออวกาศสถาน ค, คือช่องว่างช่องว่างให้สําหรับสิ่งต่างๆได้อยู่ได้เช่นเช่นหนังสือของคุณหมอก็มีช่องต่างๆใช่ไหมครับก็เป็นช่องว่างแต่ละช่องถ้าคุณหมอของก็ไปแส่ช่องว่างมันก็เต็มได้เข้าใจเลยครับ ห น, นสือที่ตั้งอยู่ในชั้นในช่องแต่ช่องนั้นเป็นเหมือนลมเลยหรือหรือดินน้ําลมฝ่ที่เราไปตั้งไว้ในช่องนั้นร่างกายของเรามาตั้งอยู่ตรงเนี้ตอนที่คุณหมอนั่งอยู่ตรงนี้ก็เป็นช่องอวกาศถ้าไม่มีช่องอวกาศคุณหมอก็นั่งอยู่ไม่ได้ครับถ้าถ้าตรงนั้นมีคนอื่นนั่งอยู่คุณหมอก็มานั่งตรงนั้นไม่ได้เพราะตรงนั้นเป็นไม่ว่างนะครับเข้าใจเลยครับอาจารย์ <laughs> คุณวิไลครับ สาสชะลอไว้ในมุมพระอาจารย์เจ้าค่ะหนึ่งความหลงเป็นความหลงเป็นความหลงของมนุษย์กระจากภาวะทันหาอยากจะอยู่เป็นนานๆหรือวิภาวะทันหะไม่อยากจะไม่อยากจะแก่ไม่อยากจะตายก็เลยทําให้เกิดสาสตร์หลังนี้ขึ้นมาก็มีมาทุกยุคทุกสมัยสองพันห้ากับปีมาสมัยพุทธเจ้าก็มีอยู่ <Okay. S 2> แล้วจะมีไปเรื่อยๆเพราะมันเป็นเรื่องความ เ, ป, เป็นเรื่องของกิเลส วิเวณมันอยากจะอยู่ไปนานๆไม่อยากแก่ไม่อยากเก็บไม่อยากตายคุณสมพรครับมีทานมีศีลออกจะอ่อนปัญญาไปบ้างต้องปฏิบัติกันอย่างไรดีครับอ่ถ้าปัญญาอ่อนก็ต้องสมาธิยังไม่มีฝึกสมาธิก่อนยังไม่ต้องไปทางปัญญาถ้ายังไม่มีสมาธิไปปัญญาก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรมากนะไปได้บ้างพอให้รู้คร่าว หรือว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราของเราอย่าไปยึดอย่าไปติดถ้าไม่อยากจะทุกข์ส่วนจะจะทุกข์หรือไม่ทุกข์ก็อยู่ที่ปล่อยได้หรือไม่ไม่ได้ถ้าจะปล่อยได้ก็ต้องมีสมาธิมีอุบเบกขาถึงจะปล่อยได้คุณมีนาครับรบกวนถามว่าถ้าเรานั่งสมาธิและภาวนาพุทโธแล้วรู้สึกเหนื่อย เราควรหยุดอยู่กับความว่างหรือควรดูลมแทนคะหลังจากนั้นค่อยกลับมาที่พุโทโธใหม่ได้ไหมครับถ้าเราพุพโทโธแล้วใจเราไม่คิดเราเราก็หยุดพุดโทโธก็ได้หรือเปลี่ยนมาดูลมหายใจเข้าออกแทนก็ได้ถ้าใจยังไม่สงบมันก็ต้องมีอะไรยึดใจไว้ไม่เช่นนั้นเดี๋ยวใจก็จะเริ่มคิดปรุงแต่งขึ้นมาถ้าพุโทโธเหนื่อยก็เราเปลี่ยนมาดูลมหายใจเข้า คุณสมพรครับต้องทําทานต้องมีศีลแล้วปัญญามันจะเกิดมาเองหรือเปล่าครับหรืออย่างไรครับเปคนลวิชากันวิช า, าทานก็วิชาหนึ่งวิชาศีลก็วิชาหนึ่งวิชาปัญญาก็วิชาหนึ่งมันไม่เกี่ยวกันมันเพียงแต่ว่ามันเป็นมันเป็นสิ่งที่สามารถสนับสนุนกันได้เช่นทานก็จะสนับสนุนให้รักษาศีลได้ง่ายรักษาศีลได้ก็จะทําให้นั่งสมาธิได้ง่าย มีสมาธิก็จะทําให้ใช้ปัญญาละกิเลสได้ง่ายมันเป็นเครื่องมือของแต่ละขั้นคนทำํทำบุญทําทานจะเป็นคนใจที่มีความเมตตาใช่ไหมคุณหมอใช่ครัครก็จะไม่อยากจะเบียดเบียนผู้อื่นใช่ไหมก็จะรักษาสีนง่ายคนที่ไม่ชอบทำบุญทำทานนี่ยจะเป็นคนที่อยากจะเอาแต่ได้ไม่อยากจะเสียก็จะไม่สนใจกับความรู้สึกความเดือดร้อนของคพือผู้อื่นเวลาอยากจะได้อะไรก็ต้องให้ต้องได้อย่างเดียว ไม่สนใจว่าใครจะทุกข์ยากเดือดร้อนจากการกระทําของเราหรือไม่งั้นต้อมาฝึกทําใจให้มีความเมตตาด้วยการทําทานก่อนเมื่อเรามีความเมตตาเราก็จะรักษาสีง่ายๆเพราะเราจะไม่อยากเบียดเบียนใครทํำอะไรเราต้องคิก่อนให้ทําแล้วทําททให้คนเหล็กเขาเดือดร้อนหรือเปล่าถ้าทำให้เขาเดือดร้อนก็ไม่ทําดีกว่าก็จะทําให้คนที่ทําบุญทำทานยังรักษาสีง่ายกว่าคนที่ไม่ได้ทําบุญทําทาน แล้วคนที่รักษาศีลได้ก็จะไปภาวนาได้ง่ายกว่าคนที่ไม่ได้รักษาศีลคนที่ไม่มีรักษาศีลก็ยังต้องไปกินเหล้าเมายาไปเท imagine, Violence, in, ี่ยวแต่ตามมาตามผับตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆก็จะไม่มีความสามารถที่จะไปภาวนาได้เพราะคนที่มีศีลนะเขาก็จะสามารถรักษาศีลแปดได้รักษาศีลห้าได้เขาก็จะรักษาศีลแปดต่อไปได้เขาก็จะห้ามใจไม่ให้ไปเสพรูปเสียงกินรหต่างๆ เขาก็จะมีเวลาไปฝึกสมาธินะคนที่ฝึกสมาธิหยุดหยุดความอยากได้ชั่วข้าวก็สามารถไปสนับสนุนปัญญาเวลาเป็นยาสอนใจให้รู้ว่าเวลาทุกข์นี้เกิดจากความอยากนะถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องหยุดความอยากก็ก็หยุดได้ทันทีเพราะมีสมาธิเป็นเครื่องมือสนับสนุนแต่ละวิชามันไม่เหมือนกันแต่มันช่วยสนับสนุนกันเป็นขั้นบันไดเ่อนที่เราจะ เรียนคณิตศาสตร์แล้วก็ต้องเรียนนบวกหนึ่งต้องเรียนหนึ่งสองสามก่อนเนี่ยต้องทํำเลขค่าได้ก่อนหนึ่งสองสามถึงสิบแล้วขั้นต่อไปก็หัดบวกเลขค่าได้ก่อนหัดบวกแล้วก็หัดลบแล้วหัดคูณหัดหารแล้วมันเป็นขั้นขั้นที่จะต้องเรียนไปคุณมาลีครับ แรมสิบสี่ข้ามเดือนเก้าคือบุญข้าวประดับดินที่ทําให้ผู้ร่วงลับเช่นพ่อแม่ของทางภาคอิจาร์รู้สึกจะต่างกับการทําบุญใส่บาตรไหมเจ้าคะเช่นบุญข้าวประดับดินจะทําให้ผีไม่มีญาติหรือเปรตสังพเวสีครับมันก็เป็นการทําบุญอย่างหนึ่งเพียงแต่เพียงแต่ว่าใช้เหตุการณ์อันนี้ความเชื่ อ, อนี้มามามามาให้ได้มีการทําบุญกัน ไปทำบุญแบบไหนก็ได้ใส่บาตรก็ได้ไปทำบุญที่วัดก็ได้ถวายสังฆทานก็ได้ตามน่าแต่ความเชื่อแล้วแต่ส่วนใหญ่เขาก็จะไปบัตรกันใส่บาตรหรือไม่ก็ไปถวายอาหารที่วัดกันถวายถวายสังฆทานที่ถวายอะไรไปแล้วแต่พระอาจารย์ครับสมัยหลวงตาอยู่ท่านมีทมําบุญที่ได้เปิดโลกกระทาใช่ไหมครับอาจารย์สมัยนั้นเป็นยังไงครับ อันนั้นมันมาตอนที่หลังจากที่โยมรรดาท่านเสียชีวิตแล้วครับแล้วทุกปีท่านก็จะทําในวันที่ครบรอบการเสียชีวิตของโยมัรดาอุทิศบุญกุศลให้กับโยมัรดาแล้วทีนี้ก็มีสัตว์อาติโยมารุ่มมากท่านก็เลยบอกว่าโยมัรดารับคนเดียวไม่ไหวให้แผ่อุทิศให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายไปโอครับก็เลยการทํานเนียมว่าทำบุญเปิดเปิดโลกธาตุมาถึงเปิดให้สัต์ จัดที่ยังเป็นว่ายตายเกิดที่ยังต้องพึ่งบุญอุทิศนี้ให้ได้มารับส่วนบุญนี้ครับคนเต็มวัดเลยไหมครับอาจารย์สมัยก่อนพอเดียวยุคนเราออกมาแล้วพระอาจารย์ออกมาแล้วครับ อ, ออกมาแล้ว อ, อมืมครับตอนนี้เราอยู่คนจำนวนยังไม่ไม่มากเหมือนตอนที่ท่านตอนนั้นยังทําบุญภายในวัดได้อยู่ภายในศาลาภายในวัดใได้แต่ตอนหลังนี้ต้องม า, าทางศาลานอกวัดนอกกำแพง เวลาในงานใหญ่ๆงานบุญข้าวเนี่ยข้าเปลือกประจําปีเนี่ยแล้วบุญกระถิน่นแล้วบุอะไรที่มีงานใหญ่เนี่จะต้องมาทําพิธีข้างนอกวัดกันเพราะในวัดมันที่มันแคบไปไม่พอทำํำสมัยที่เราอยู่นังยังท่านอยู่ชันอยู่บนสาราชั้นบนไม่ได้ย้ายลงมาชั้นล่างอยู่แต่พอคนมากมากขึ้นสาราชั้นบนที่มันแคบไม่พอก็เลยย้ายลงมาข้างล่างที่มันกว้างกว่า ก็อาจจะเป็นตพรงสังขารท่านอาจจะฉลาแล้วท่านนี้ไม่ไม่สะดวกที่จะขึ้นบันไดท่นานก็ย้ายลงมาชั้นข้างล่างนั่งชั้นอยู่ใต้ใต้ถุนฉลาเองแล้วพอมีงานบุญใหญ่งๆงานก็จะไปจัดที่ข้างนอกไ ป, ไปสร้างสลาใหญ่โตข้างนอกน่ก็ไม่อยากจะให้มีการก่อสร้างป้ายวัดมากมาจะเกินไปเดี๋ยวจะมันทำลายความเมียาทำลายความสงบ สถานที่คุณมาริสาครับการนั่งสมาธิแล้วอยากทําให้ใจสงบนิ่งทําได้ยากมากเลยเจ้าค่ะยิ่งอยากยิ่งไม่สงบเจ้าค่ะมีวิธีที่ง่ายทางรัตไหมครับรอาจารย์ก็ขยันพุโทโธไปทั้งวันง่าที่สุดแล้วทำพุโทโธพุโทโธไปง่ายที่สุดแล้วก็คือทํำพุโทโธพุโทโธไปทั้งวันแล้ว น, นั่งสมาธิจะจิตจะสงบได้เร็ว คุณสมพรครับทานศีลภาวนาคำว่าภาวนากับคำว่าปัญญาต่างกันอย่างไรครับภาวนาแล้วทำให้เกิดปัญญาหรือเปล่าครับคาว่าภาวนานี้เป็นการปฏิบัติสองขั้นขั้นที่หนึ่งเรียกว่าการปฏิบัติสมาธิหรือสือสมถะภาวนาขั้นที่สองเป็นการปฏิบัติวิปัสนาภาวนาคือปัญญาเห็นปัญญาก็เป็นเป็น ขั้นของการปฏิบัติของภาวนาขั้นที่สองเรียกว่าวิปัสนาภาวนาก็คือการเจริญปัญญาส่วนสมถะภาวนาขั้นที่หนึ่งคือการเจริญสมาธิคุณอัชราครับการเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะคือลูกเป็นคนใจไม่นิ่งเจ้าค่ะแต่ชอบทำบุญทำบุญใส่บาตรและให้อาหารหมาแมวจอนจัด ภาวนาพุโทโธตามที่พระอาจารย์แนะนําแต่หลุดจากภาวนาบ่อยเจ้าค่ะทาอย่างไรดีเจ้าค่ะให้ใจนิ่งสงบครับว่าต้องขยันพุทโธนะพอ ห, หลุดก็ต้องเดินก็ต้องเริ่มใหม่ทําไปเรื่อยๆอย่าหยุดนะเหมือนคนเหมือนเด็กอะที่เด็กเด็กว่าจะเดินหน้านี่ก็ต้องพยายามลุกพุกผ่อนมาเรื่อยๆพยายามลุกขึ้นมายืนก้าวได้สองก้าวก็ร้อก็ลุกขึ้นมาใหม่ต้องพยายามทํำนี้พุโทโธให้สองสามคำแล้วก็หลุดก็ต้องเริ่มใหม่ก็ต่อม ทําไปเรื่อยๆทั้งวันมันงคืนมันอยู่ที่ว่าเรามีสัจจะมีความตั้งใจจะทํหนือเเราอยากได้ผลแต่เราไม่ยอมทำเห็นอยากได้ข้าวแต่ไม่ปลูกต้นข้าวมันก็ไม่ได้ข้าวถ้าอยากจะได้ข้าวก็ต้องพยายามมันปลูกมันปูกมันเหนื่อยกว่าการที่เก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวข้าวนะมันต้องทำถ้าไม่ปลูกข้าวไม่หว่านข้าวไม่ไถนามันก็ไม่มีทางที่จะได้ได้เมล็ดข้าว การที่ะได้ความสงบก็ต้องข ย, ยันพุโทโธขยังอย่าปล่อยให้ใจคิดทำไมคิดทันวันคิดได้นะคิดพุดโทโธมันคิดไม่ได้ใช่ไหมมันก็เป็นความคิดเหมือนกันคุณสุวรรณีครับเราสามารถนำการภาวนามาใช้กับชีวิตประจำวันได้ไหมคะถ้าได้ต้องทำอย่างไรครับได้ก็ การนาวนานี้ขั้นต้นเนี่คือขั้นสมาถะคือสมาธิก็ต้องใช้การเจริญสติเราก็เจริญสติไปทั้งวันเช่มนมางทีที่บอกให้บริกรรมพุโทโธ ไ, ไปทั้งวันนี่ก็เป็นการเจริญสติเพื่อให้เราได้สมาถะภาวนาเวลาที่เรามีสติใจเราจะว่างใจเย็ยนกว่าเวลาที่ใจเราไม่มีไม่มีพุโทโธเวลาไม่มีสติใจเราคิดเรื่อยเปือ่อยบางทีก็คิดฟุง้งซ่านคิดแล้วก็สร้างอารมณ์ต่างๆขึ้นมา พอเรามีพุทโธก็คอยควบคุมความคิดไม่ให้มันคิดใจก็จะว่างใจเย็นขึ้นก็ไปนั้นเราสามารถใช้การภาวนาในชีวิตประจำวันได้นั่นตื่นขึ้นมาก็เริ่มพุทโธกไปเลยอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันก็พุทโธไปแต่งเนื้อแต่งตัวก็พุทโธไปรับประทานก็พุทโธไปเดินทางไปทางานก็พุทโธไปทำอะไรก็พุทโธไป หยุดพุดทโธก็เสมอต้องใช้ความคิดเกี่ยวกับ ง, งานที่เราทําอยู่เอล่ลเราทําบัญชีต้องคิดเลขอย่างนี้ต้องบวกลบคูณหารตอนนั้นเราก็หยุดพุทโธแล้วก็ให้มันคิดไปกับงานที่ต้องทําอยู่พอเสร็จงานก็อย่าปล่อยให้มันคิดเรือเ่อยเปื่อยคิดเพอ้อเจอคิดวิาพากษ์วิจารคนนั้นคนนี้หยุดมันด้วยการทาบริกรรมพุทโธไปเรื่อยคุณคําเลิศครับการฉันอาหารยาวิการถ้าจบกิจแล้วทําได้ไหมครับ มันถึงไงจบกินแล้วจะจ ะ, จะฉันไม่ทําไมมาถึงบรรลุเป็นผ้าอาหารเราจะยังจะกินอาหารเนี่ยถ้าไม่มีความอยากจะกินอะไรบางทีกินนี่บางทีต้องมังคับกินกินเพื่อร่างกายมันได้กินเพื่อความอยากใ ไ, ไรคุณกำลชนลกครับหยุดความอยากทั้งหมดได้ด้วยการนั่งสมาธิใช่ไหมเจ้าคะ ได้แบบชั่วข่าวเวลาจิตสงบนิ่งความอยากทั้งสามการมาร์ตนาพระวัฒหาวิพัฒหาก็หยุดชั่วข่าวแต่พอออกจากสมาธิมาความอยากก็จะกลับขึ้นมาใหม่เสมาธินี้ไม่สามารถที่จะทําลายความอยากได้อย่างท้าวรต้องใช้ปัญญาต้องใช้ปัญญาปปหยุดความอยากที่เกิดจากความหลงความหลงคิดว่าการทําตามความอยากแลจะมีความสุขต้องเห็นตามความจริงว่าการทําตามความอยากแล้วจะจะมีความทุกข์ พอรู้วจะเป็นความทุกข์ก็จะไม่อยากจะทําตามความอยากต่อไปจากพิสมพรครับโยมน่าจะไม่ได้เสพการทางกิจกรรมทางเพศเหมือนเสพกามที่คนทั่วไปทราบแต่โยมเสพการทางอื่นทางรูปรสกลิ่นเสียงวัตถุอย่างนี้ถือว่าเป็นการเสพกามด้วยเหมือนกันหรือเปล่าครับเหมือนอย่างก็รูปเสียงกลิ่นรสกามนี่มีห้าห้าห้าช่องด้วยกันรูป ตาหูจมูกเล่นการเสพรูกเสียงกิ่นลดผลต่อพม่เราจะเสพอะไรก็ถือว่าเป็นการเสพกลางทั้งนั้นเสพคนร่วมลับนอนต่อคนก็เสพกลามกินก๋วยเตี๋ยวกินขนมก็เสพกลามเหมือนกันคุณพัชรวัตรครับการปฏิบัติธรรมจนถึงบรรลุธรรมนั้นต้องทิ้งการยึดติดปรุงแต่งโดยสิ้นเชิงเสียก่อนถูกต้องไหมครับกับความสว่างทางปัญญาครับ อย่บรรลุทำได้นี้เบื้องต้นต้องหยุดควบคุมความคิดปรุงแต่งให้ได้มาได้แล้วขั้นที่สามกา็สอนให้ความคิดปรุงแต่งที่ไปในทางความเป็นจริงคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นของเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมบังครับให้เป็นของเราอยู่กับเราไปได้ตลอด น, นต้องทำสงองขั้นขั้นต้นหันหันหยุดความคิดปรุงแต่งให้ได้ครับ มันยืนได้แล้วขั้นที่สองก็ให้คิดปรุงแต่งไปตามความเจริงคิดปรุงแต่งว่าทุกอย่างในโลกนี้เป็นอนิจจมทุกขงังนะตาคุณมาริสาครับตอนสมัยเด็กคนแก่จะมีความสุ ข, ขุมสํารวมและอบรมสั่งสอนลูกหลานด้วยสติปัญญาและประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมาแต่เห็นคนแก่สมัยนี้ ค, ความสุ ข, ขุมเยือกเย็นน้อยลงกิเลสยิ่งแน่นหนามากอยากเรียนถามพระอาจารย์ว่าเป็นเพราะยุคสมัยหรือเป็นเพราะนิสัยคนเจ้าคะ่ะ อันนี้ก็คงจะเป็นเพราะสมัยนี้เรื่องของกิเลสมันกระแสของกิเลสมันแรงมันการที่จะเสกอะไรตามความอยากของกิเลสนี่มันง่ายไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนไม่ค่อยมีรายให้เสกเท่าไหร่สมัยนี้มีเครื่องเสกของกิงของอะไรคนก็เลยมุ่งไปทางทางกิเลสกันไม่มีเวลาที่จะไปศึกษาปฏิบัติทางด้านสติปัญญาทางธรรมกัน ใจเนี่ยไม่ค่อยเย็นสมัยนี้ใจร้อนคงใจร้อนครับคุณแจสครับการเบียนถามพระอาจารย์ในเรื่องการละสกายยติถิค่ะเราต้องเริ่มปฏิบัติภาวนาอย่างไรเพื่อให้เข้าใจตามความเป็นจริงว่าขันห้าไม่ใช่เราคะก็มันไม่ใช่เราจะให้เข้าใจยังไงก็ดูในร่างกายถ้ามันเป็นเรามันแลเวลามันตายไปมันมันกลายเป็นอะไรไปมันกลายเป็นดินน้านมไฟ มเวลาร่างกายตายไปเผาไปมันก็เหลือแต่คี้เท่าส่วนที่เป็นน้ำมันก็ถูกไฟเผาะละเหยไปหมดแล้วร่างกายมันไม่ใช่ตัวเรามันเป็นเพียงแต่ส่วนประกอบที่มันทำมาจากดินน้ำลมไฟน้ น, นี่ก็มอ่อมหมีคุณวันเพ็ญครับ เวลาสวดมนต์หรือนั่งสมาธิในขณะที่ใจของเราไม่นิ่งแต่ก็ฝืนทําต่อไปจะเกิดประโยชน์หรือไม่ครับหรือควรจะหยุดให้จิตสงบนิ่งก่อนแล้วค่อยทําครับจะหยุดแล้วมันนิ่งได้ไงถ้าไม่ทํามันจะทําไปมันถึงยังนิ่งถ้าหยุดมันก็ยิ่งไม่นิ่งใหญ่ใช่ไหมต้องพยายามทําไปเรื่อยๆอย่าหยุดใหม่ๆมันก็จะยากมันยังไม่มนั่งมีการต่อสู้กันกิเลสมันก็ไม่ยอมให้เราอยู่ แต่เราก็ต้องใช้ธรรมะใช้สติคอยคอยคอ ย, คอยหยุดมันให้ได้จนกว่าฝ่ายไดฝ่ายหนึ่งชนะถ้าถ้าสติชนะจิตก็จะนิ่งสมบถ้าสติแพ้จิตก็จะไม่นิ่งต่อไปคุณตายครับโยมเป็นคารวะที่งานเยอะยุ่งกับทางโลกทั้งวันแต่ก็พยายามใส่บาตรทำบุญรักษาศีลภาวนาก็ยังน้อยมาก ตอเหนื่อยล้ากับการทํางานแต่โยมก็พยายามเจริญสติในการทํางานเพื่อเอามาใช้ตอนภาวนาอย่างนี้โอกาสก้าวหน้าของโยมที่จะก้าวข้ามขั้นภาวนาไปได้อย่างไรเจ้าค่ะต้องลดภาระรการทํางานให้น้อยลงไปทําเท่าที่จําเป็นนะเราดูว่าก่อนสิ่งที่เราจําเป็นจะต้องมีมีอะไรบ้างรายได้ที่เราจะต้องมีมีเท่าไหร่ที่ใช้กับของจําเป็นจริงๆริงของจำเป็นจริงๆมันก็มีแค่ปัจจัยสี่ อาหารเครื่องดมที่อยู่อาศัยยารักษาโรคพยายามลดละการใช้ใจ่ายที่เพ่อนเฟืองของใช้ใช้ใจ่ายที่ไม่จําเป็นต่างๆลงไปเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องใช้เงินมากนั่นเองเมื่อเราไม่ใช้เงินมากเราก็ไม่ต้องหาเงินมากเมื่อเราไม่หาเงินมากเราก็จะมีเวลาว่างที่จะมาให้กับการปฏิบัติได้ คุณสมพรครับโยมเห็นหนังสือภาษาอังกฤษดีๆที่เป็นหนังสือมือสองที่ขายทั้งออนไลน์ก็อดใจที่จะซื้อไม่ได้บางครั้งโยมก็แอบคิดเข้าข้างตัวเองว่าถ้าโยออเอาเงินนี้ไปใช้จ่ายในการกินเงินก็หมดศูนย์เปล่าครับถ่ายออกมาก็หมดไม่มีอะไรเหลือแต่ถ้าเอาเงินไปซื้อหนังสือภาษาอังกฤษที่ขายเป็นมือ2ราคาไม่แพงนักโยมคิดอย่างนี้ถือว่าเป็นการเสพการหรือเปล่าครับเสพติดหนังสือภาษาอังกฤษดีๆครับมันก็มันก็เสพทางตาไง ดูเนื้อหนังสือแล้วก็จินตนาการไปตามภาพที่เรวอ่านหนังสือมาแล้วแต่ว anyway ่ามันจะเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็ยังถือว่าเป็นการเสพการอยู่ก็ได้ถ้าเป็นบางที่ถ้าอ่านแล้วมันเป็นเรื่องทําให้เกิดการอารมณ์ขึ้นมามันก็เป็นเป็นเรื่องของการเสพการเมื่ออ่านแล้วทําให้เกิดมีความอยากจะไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ก็ได้เพราะหนังสือก็จะแนะนําอะไรต่างๆอ่านไปแล้วก็อาจจะเกิดความอยากขึ้นมา ให้อ่านหนังสือธรรมะดีกว่าหนังสือธรรมะไม่ต้องเสียไม่ต้องเสียเงินมีแจกเยอะๆแจกสีเยอะๆไม่มีใครอยากจะ่านกันครับคนในช่องนี้เขาอยากได้กันเยอะครับอาจารย์หนังสือธรรมะคุณคำเลิศครับอ่านหนังสือท่านพุทธทาสมื่อนานมาแล้วว่าขันห้าเราสกรปรกทำไมอยากได้ขันห้าผู้อื่นคือลงใจเรื่องลงเรื่องร่างกายสกรปรกแต่ในใจยังมีแอบชอบคนอยู่บ้างครับ เพราะว่าเรายังไม่ได้มองเห็นเขาสกปกตลอดเวลาบางเวลาเราก็เผลอไม่เห็นว่าเขาสะอาดแล้เวเขาน้าดูหน้าชมไม่ได้มองให้เห็นตลอดเวลาว่าเขาสกปรกมีเขาสกปรกอยู่ภายในร่างกายเวลาขับถ่ายออกมาถึงจะเห็นแต่ท้าอยู่ในร่างกายมองไม่เห็นครับคุณวิไลครับ คนในยุคนี้โอกาสบรรลุธรรมน้อยลงไหมเจ้าคะตั้งจิตอธิษฐานว่าจะขอให้ได้พบพระพุทธศาสนาได้สั่งสมไปทุกภพทุกชาติเจ้าคะ่ะทำมากไม่ได้ก็ขอค่อยๆสั่งสมในทุกทางเจ้าคะ่ะสดมนภาวนาเกือบทุกวันเจ้าคะ่ะมันแล้วแต่คนนะถ้าคนมีความสนใจศึกษาโอกาสที่จะบรรลุธรรมก็มีถ้าคนไม่สนใจไม่ศึกษา ม, มันก็ไม่มีมันอยู่แต่ละคน คุณอนงนาศบอกว่าเวลาเกิดขึ้นมาก็ทําใจไม่ได้หรอกพระอาจารย์เรื่องกลัวตายครับวางใจไม่ได้เคยเกิดขึ้นมาแล้วครับก็ต้องฝึกสมาธิฝึกสติให้มากๆก่อนที่เราสามารถควบคุมใจให้นิ่งเฉยๆได้ถ้าเราไม่ควบคุมใจให้นิ่งเฉยๆไม่ได้เวลาไปเจอเหตุการณ์ที่ทําให้ใจตื่นเต้นตกใจเราก็จะไม่สามารถหยุดมันได้คุณอ้อนครับ ขอาการเรียนถามช่วงที่หนูไปถือศีนั่งสมาธิมีสติรู้ตัวตลอดจนประมาณหนึ่งชั่วโมงรู้ว่าเราไม่คิดจับอยู่กับพุทโธไม่มีอารมณ์ตกหลุมตกบ่อหรืออารมณ์ตกที่สูงสุขหรือทุกข์แต่ว่าจะรู้สึกสุขตอนออกจากสมาธิแล้วการรู้เฉยๆอย่างนี้ถือว่าเป็นการเข้าสมาธิแล้วหรือยังคะไม่รู้นะถ้ารู้สึกสุขตอนออกจากสมาธิแล้วตอนอยู่ในสมาธิไม่รู้เรื่องอะไรเลยเกแสดงว่าตอนนั้นหลับนี่ มันต้องรู้เสียเวลาอยู่ในสมาธิว่ตอนที่สุขกมากเกินในขนาดที่เราอยู่สมาธิถ้าไม่รู้เรามารู้ตอนที่ออกมามออกมาก็ดีใจบางทีจะได้เลิกนั่งสมาธิแล้วก็เลยเกิดความสุขขึ้นมาก็ได้อันนี้ไม่ใช่สมาธิหรอกอันนี้หลับมากกว่า คุณมาริษาครับการกลับมาเกิดใหม่อีกครั้งเป็นไปได้ยากมากแต่บางคนก็บอกว่ากลับมาเกิดใหม่ได้เร็วมีเหตุปัจจัยอะไรที่ทำให้การเกิดเป็นมนุษย์ทาได้ยากเจ้าค่ะอาจารย์ขั้นที่หนึ่งข้อที่หนึ่งก็คือเราต้องไปรับผลบุญผลบาปก่อนเราก็ไม่รู้ว่าเราทำบุญทำบาป ม, มากน้อยเพียงใดจะต้องไปอยู่ในสภาพของดวงวิญญาณที่ไม่มีร่างกายแล้วพอพ้นจากสภาพ ของบุญของบาปแนละ้วก็ยังต้องมารอคิวเพราะว่ามนุษย์นี้แล้วแต่ว่าจะจะผลิตร่างกายมากหรือน้อยแล้วแต่ยุคใช่ไหมนะครับมนุษย์มีแค่หกหกพันล้านคนในโลกนี้แต่ดวงวิญญาณอาจจะมีมากเพราะอาจจะมีดวงวิญญาณของสัตว์ของอะไรที่มาอยู่ในพระอยู่ในอยู่ในคิวที่จะรอเกิดเป็นมนุษย์ก็มีสัตว์ที่พ้นจั ก, กรบาลมาแล้วก็มี แล้วพวกเทวดาที่ลงมาจากสวรรค์ก็มีมันก็อาจจะมาเป็นคอขวดยืนเราเข้าคิวกันครับคุณปูเป้ครับพอร่างกายพิการใจไม่ได้ทูกเจ้าค่ะปัจจุบันหนูอาศัยธรรมโอสถต้องฟังธรรมกับปฏิบัติธรรมไปเจ้าค่ะต้องฟังธรรมอ่านธรรมเรื่อยๆเจ้าค่ะเลยไม่ค่อยได้ทานยามาปฏิบัติและรักษาใจ ร่างกายพิการแต่ใจไม่ทุกข์เพราะฟังธรรมจากพระอาจารย์ความฝันหนูก็หายยามนานมาหลายเดือนแล้วเจ้าค่ะเีอันนี้แหละเป็นตัวอย่างต้องขยนันต้องฟังธรรมต้องปฏิบัติตามต้องขยนันอยากจะได้ผลแต่ไ ม, ไม่ไม่ทำเหตุไม่มีวัตทียังได้ต้องอดทนต้องขยนันคุณแอมมครับพอเรานั่งสมาธิไปได้สักพักเกิดมีความรู้สึกกลัวในใจจะวางใจใ ห, ให้หายกลัวอย่างไรคะ ก็อย่าไปสนใจให้พยายามอยู่กับลมหายใจแล้วอยู่กับพุโทโธไปพยายามถ้าถ้าดูลแล้วกลัวก็ใช้คำเลยคำพุโทโธพุโทโธไปเดี๋ยวความกลัวก็จะหายไปคุณผู้หญิงครับบทสวดมนต์โลกุตระกับบทสวดมนต์บาลีมีความหมายเหมือนกันไหมคะเคยปฏิบัติธรรมที่วัดหนึ่งสวดโลกุตระคะ่ะอันนี้เราก็ไม่ทราบเหมือนกันนะต้องขอไปเร้วมเป็นยังไงโลกุตระนะ คุณนาาครับถ้าเรายังใช้ชีวิตแบบคารวาสที่ยังมีความอยากแต่เราไม่ทุกร้อนถ้าไม่ได้ที่ต้องการเราเข้าใจถ้าเราได้มาตามต้องการไม่สุขเกินทุกขแต่ก็ยังมีสุขมีทุกข์แต่เข้าใจแบบนี้ถือว่ามาเดินถูกทางหรือยังคะัือยังอยากและไม่อยากแต่เข้าใจมากขึ้นครับอ๋อถ้าเข้าใจแล้วมันต้องลบความอยากให้ได้ถึงจะไปถูกทางถ้าเข้าใจแล้วยังยังอยากอยู่มันก็ยังไปไม่ถูกทาง ทางที่ถูกก็คือต้องพยายามลาความอยากไปเรื่อยๆให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพราะความอยากไปเหมือนเชื้อโรคล้วก็ต้องพยายามทำลายมันถ้าปล่อยให้มันอยู่ในร่างกายแล้วมันก็สร้างความเจ็บไข้ได้ปวดให้กับเราเราก็อยากจะที่จะกำจัดเชื้อโรคให้มันหมดไปจากร่างกายของเราไม่ใช่เข้าใจมันแล้วก็ปล่อยให้มันอยู่กับเราต่อไปคุณกุ๊กกิ๊กครับ เราสามารถแก้ไขความง่วงตอนนั่งสมาธิได้อย่างไรบ้างคะก็ไปนั่งที่มันน่ากลัวเล ย, ท, เลยที่ปี่ยที่ป่าช้าเลยไปไปนั่งในสถานที่ที่มันจะท้าทายต่อความเป็นความตาย้ พ, พระทวดงองมังองค์ในตามที่ท่านอาจารย์หลวงตาท่านสอนท่านเล่ามังองก็ไปเดินจงกรมที่มีทางมีมีรอยเท้าของเสือเดินผ่านไปผ่านมา <c oughs> มัง <c oughs> องก็ไปนั่งที่หน้าผาเลย ถ้าจับประหกโวที่มันก็ตกลงผาไปเลยตกลงไปเลยถ้าต้องทําแบบนั้นมันจะอยาง ห, ายหงอเลือนไปนั่งในป่าชายเป็นต้นอีกวิธีหนึ่งก็คือการอด อ, อาหารเราประทานอาหารได้น้อยเราจะไม่ง่วงในการจะได้ทํามาไม่ใช่มันไม่ใช่เป็นของง่ายมันต้องลงทุนไม่ใช่นั่งนงนั่งสมาธิในห้องป่าประกาศนี้ไม่มีวัน จ, จะหลับอย่างเดียว ถ้ามันสบายแนละ้วมันจะหลับต้องมันมันต้องไม่สบายมันต้องหิวแล้วมันต้องหวาดกลัวมันมีสถานที่หวาดเสียวหน้า ก, กลัวอย่างเงี้ยมันถึงจะทำให้สามารถที่จะทำให้เรานั่งสมาธิไม่หลับได้คุณแคทครับตั้งแต่ลูกหยุดอยากทำให้ไม่อยากมีอยากได้อะไรแต่ในทางโลกก็ยังจำเป็นที่จะต้องหาเงินอยู่เพื่อไว้ใช้ในบ้านปลายชีวิต ถ้าเราหยุดอยากก็จะเป็นภาระของคนในครอบครัวทําอย่างไรจึงจะไม่รู้สึกว่าตัวเองมีความโลภแต่ที่ทํางานเพราะต้องทําให้ครอบครัวไม่มีภาระเพื่อที่ตัวเองจะได้ปลีกตัวเองออกมาได้ที่ทํางานทุกวันนี้ก็เพราะต้องการช่วยเหลือหัวหน้าครอบครัวปรารถนาจะเป็นโสดาบันในชาตินี้ในประเทศประเภทค า, ารวาสและยังต้องทํางานอยู่ได้หรือเปล่าเจ้าคะทดลองทํ า, าทดูเลยมันก็อยู่ที่เราแนละ้ว่าเราจะปล่อยวางง้างกายของเราได้หรือเปล่า ไม่กลัวตายไม่กลัวเจ็บได้หรือเปล่าถ้าปล่อยวางได้ก็เป็นโสนาบัน่นคุณเขมจิลาครับหลวงตาค้าใช้วิธีหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทอยู่ในใจเพียงสองคำเสียงมแมลงเสียงสุนัขเสียงพัดลมก็พาหลุดออกจากพุทธโทไปอย่างง่ายดายก็รู้สึกเครียดกับการภาวนาทุกครั้งขอความเมตตาครับเราตื่นล้วน้อยเรต้องฝึกสติทั้งวันก่อ น, ก, อนก่อนที่จะมานั่ง ว่ามีอะไรมากระทบใจไหนะก็ไปกับกับสิ่งที่มากระทบใจเลยใจยังไม่ตั้งมั่นพอสติยังไม่มีกำลังมากพอพยายามฮัตพุทโธพุทโธไปทั้งวันก่อนคุณพรพิมลครับขอความเมตตาค่ะเริ่มนั่งสมาธิภาวนาพุทโธหายใจเข้านับหนึ่งถึงสิบแล้วหายใจออกเพื่อเอาออกซิเจนเลี้ยงสมองแต่จะพยายามนั่งให้นานที่สุดข่าบรรเทาความเจ็บปวดได้มากค่ะ คุณอ้อมครับขอเลี้ยงถามพระอาจารย์ว่าการสวดมนต์สลับย่อหน้าไม่ได้เรียงลําดับตามหนังสือสวดมนต์เหตุเพราะจําผิดเป็นอะไรไหมครับมันอยู่ที่ว่าส่วนแล้วใจเราสงบหรือไม่ถ้าส่วนร่างกาสงบก็ไม่ผิดอะไรวิว า, ายของการสวดมนต์ก็เพื่อทําให้ใจของเราสงบนั่นเองถ้ายังไม่สงบก็ยังไม่ยังไ ม, ยงไ ม, ยงไม่ยังไม่ได้ผล คุณสมพรครับสติกับสมาธิคืออย่างไรต่างกันอย่างไรครับสติคือเหตุสมาธิคือผลเช่นเสียงะระฆังนี้เกิดจากอะไรเกิจากการกระทบของไม้ที่ไปตีกับระฆังนี่นะครับการตีะระฆังนี้เป็นเหตุแล้วเสียงของระฆังก็เป็นผลการมีสติก็เป็นเหตุถ้ามีสติก็สามารถหยุดความคิดได้หยุดความคิดได้จิตก็สงบนิ่งเป็นสมาธิขึ้นมา คุณนาณาครับสมาธิคือพลังในการเห็นความระโลคโกรธหลงที่เกิดขึ้นในใจเราแล้วใช้ปัญญาในการเข้าใจว่ามันเกิดจากอะไรแบบนี้หนูเข้าใจสมาธิถูกไหมคะหลายครั้งที่สงสัยว่าทําไมต้องทําสมาธิให้มากๆแบบนี้การเพิ่มกําลังหรือพลังสมาธิคือยิ่งเพิ่มพลังในการเห็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นได้เร็วและง่ายขึ้นประมาณนี้หรือเปล่าครับมันก็มีส่วนแต่ตัวที่จะเห็นกิเลสจริงๆก็คือปัญญา ปัญญาเรสังเกตด้ ว, ว่าตอนนี้โลภนึกโกรเ น, นื้อหลงอันนี้เป็นตัวปัญญาจะเห็นชัดเห็นง่ายก็ต้องมีสมาธิคุณศาธิวิมลครับคนที่รับราชการและพ่อแม่ได้รับการรักษาพยาบาลฟรีจะได้บุญเหมือนกับคนที่จ่ายค่ารักษาพยาบาลให้พ่อแม่ไหมเจ้าคะได้เหมือนกันเพราะเราเป็นการใช้สิทธิ์ของของเราให้ เราก็เสียสละด้วยการทํางานเป็นข้าราชการสลระงเงินเดือนที่สูงกว่าจากการไปทำรายเอกชนเพื่อที่เราจะได้รับในสิทธิพิเศษในการรักษาพยาบาลให้ก่บิดามารดาอย่างนี้ก็ถือว่าเราก็เมืนก็ใช้เงินรักษาพ่อแม่ไปคุณเข็มจีลาครับถ้าตั้งใจภาวนาเพื่อหวังประโยชน์แค่ให้อ่านหนังสือแล้วสามารถสอบผ่านได้ยังไม่ได้มีจุดหมายเพื่อความหลุดแบบนี้หนูเห็นแก่ตัวหรือเปล่าคะ ก็มันก็เห็นแก่ตัวแต่ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องเสียหายตรงไหนเป็นแต่ประโยชน์ที่เราได้รับมันก็ไม่ดีเท่ากับประโยชน์ที่เราได้จากการภาวนาเพื่อรักกิเลสคุณพิรสุดครับเรานั่งสมาธิภาวนาอยู่แอปใน Apple Watch แจ้งว่าในเวลานั้นเรานอนหลับอยู่แบบนี้เรียกว่าสมาธิหรือเปล่าครับไม่รู้ไปถามแอปเปิลด้วย <laughs> คุณเทพครับบอกเรียนถามพระอาจารย์ครับคนที่อยู่ยูเครนหรือรัสเซียถ้าต้องถูกเกณฑ์ไปลบเขาควรจะตัดสินใจอย่างไรครับก็แล้วแต่เขาเขาจะหนีก็ได้หนีก็เราติดคุกเรืเ่องเรื่องเอาอยู่มีสองทางไปลบหรือไปติดคุกนี่แล้ว ก, ก็อยู่แบบคนที่ต้องคอยหลบหนีไปเรื่อยๆเช่นบางคนอาจจะหลบมาอยู่เมืองไทยก็ได้ แต่เขาก็เหมือนจะมีมีมีชนักติดติดตัวเขาอยู่เขาก็อยู่ด้วยความมิตรกังวลถ้าการบันดีกันดีถูกจับแล้วถูกส่งกลับไปเขาก็ต้องไปรับโทษต่อไปคุณอาภาพนครับการภาวนาเราต้องเริ่มจากสมถะก่อนใช่ไหมเจ้าค่ะถึงจะเริ่มมีปััชนากรรมฐานครับใช่ก่อนจะภาวนาต้องก่อนสมถะก็ต้อง ต, ต้องเจริญสติก่อนถ้าไม่มีสตินั่งสมาธิยังไงก็ไม่สมบงบเห็นเบื้องต้นต้องฝึกสติก่อนถึงจะสามารถที่จะนั่งสมาธิให้สงบได้เมื่อจิตสงบแล้วมีกําลังที่จะหยุดกิเลสได้ก็ไปเจริญปัญญาเพื่อเห็นว่าความทุกข์เกิดจากความอยากเกิดจากกิเลสเวลาเกิดความทุกข์ขึ้นมาก็จะได้ปไปหยุดที่กิเลสไม่ใช่ไปหยุดที่ความทุกข์ความทุกข์นี่มันเป็นผล เราต้องมาหยุดที่เหตุที่ทําให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาคุณอาร์ตครับมัค ก, กับผลลักษณะสภาวะจิตต่างกันอย่างไรบ้างครับมัคคือเหตุไงแล้วก็มัค ก, ก, ก, ก็คือการเจริญปัญญาคือการเจริญสีสมาธิปัญญาเรียกว่ามัคในขณะนี้ที่เรารักษาสีอยู่เ ร, เราเรีกวาเราเจริญมัคเราทําบุญทําทานนี่ก็เราก็มีการเจริญมัคอยู่ พอทำเวาาาลาผลก็จะเกิดตามมาผลมันก็มีหลายหลายลักษณะทําทานแล้วก็ทําให้จิตใจเรามีความสุขมีความอิ่มเอิบใจอันนี้เราก็เรียกว่าเป็นสวรรค์ขึ้นมาสวรรค์ชั้นเทพถ้ารักษาศีลได้ไม่ทําบาปได้แล้วก็ป้องกันใจไม่ให้ตกไปในอบายได้ถ้าเราภาวนะาทําใจใสงบเราก็จะได้สวรรค์ชั้นพรหม ถ้าเราจเจริญปัญญาเราก็จะได้สวรรค์ชั้นของพระอริยเจ้าคือพระนิพพานในที่สุดสภาวะแบบนี้เกิดขึ้นตอนเป็นไม่ใช่ตอนตายเลยใช่ไหมครับอาจารย์เกิดขึนได้ีเกิดขึ้นทันทีเลยคุณแอมมี่ครับกล่าวขอบความเมตตาพระอาจารย์ขยายความคำกล่าวที่ว่ากรรมเก่าคือต้นทุนชีวิตของชาตินี้ครับ ไม่รู้มันไงรใครพูดเราก็ก็ไม่ทราบเหมือนกันกรรมเก่าก็คือมันกรรมนี่มันมีความหมายอยู่สองคำกรรมนี่เป็นกรรการหรือการกระทํามันก็มีทั้งบุญและทั้งบาปทําความดีก็เรยกว่าบุญทําทําความไม่ดีก็เป็นบาปมันก็เป็นเหมือนต้นทุนเพราะกรรมนี้บุญที่เราทํากับบาปที่เราทํามันติดติดมากับใจเรามันก็เป็นต้นทุนถ้าถ้าเป็นบุญมันก็เป็นต้นทุนที่เราสามารถเบิกเอามาใช้ได้ ถ้าเป็นหาปมันก็เป็นต้นทุนที่เราต้องต้องอไปใช้เพราะมันเป็นหนี้ที่เราต้องไปชดใช้คุณอารยาครับคนที่ไม่ได้พูดความจริงแต่ทำให้คนอื่นเข้าใจผิดไปเองถือว่าผิดสีไหมเจ้าค่ะถ้าไม่พูดความจริงมันก็ผิดสีนั่นละมันมันจะคนจะเข้าใจไม่เข้าใจยังไงไม่สำคัญสำคัญที่เราพูดความจริงหรือไม่พูดความจริง คุณเอมมี่ครับคนที่ชอบทําบุญแต่คดโกงสมบัติพี่น้องในครอบครัวหรือยุยงให้สามีของตนคดโกงเอาเปรียบคนในครอบครัว เ, รเขาทําทั้งสองอย่างไงบุญเขาก็ทำบาปเพราะว่าทำํำนี่ก็ขึ้นอยู่ว่าบุญกับบาปอันไหนมีทํามากกว่ากันถ้าบาปทํามากกว่า บ, บุญบาปมันก็จะแสดงผลก่อนก่อนบุญถ้าบุญมากกว่า บ, บาปบุญก็จะแสดงผลก่อนเวลาตาย คุณสุดารั์ครับนั่งสมาธิแล้วจิตเหมือนถูกดูดเข้าไปในภวังแต่ในภวังนั้นยังมีความคิดต่างๆอยู่ควรปฏิบัติอย่างไรครับก็พาวนาต่อไปถ้าพุโทโธก็พุพโทโธต่อไปดูลมก็ดูลมต่อไปอย่าหยุดอย่าไปสนใจกับภาวะที่เกิดขึ้นในตอนนั้นถ้าจิตยังไม่นิ่งถ้ายังมีความคิดอยู่ต้องทําต่อไปคุณสุวรรณีครับ การท่องาธาตุกรรมฐานสี่ทุกวันเพื่อสอนใจว่าร่างกายนี้เป็นเพียงาธาตุสี่จะสามารถทำให้เราล ะ, ล ะ, ละส ก, กายยทิฐิได้ไหมครับท่องเฉยๆมันอาจจะไม่เข้าใจต้องเข้าใจจริงๆว่าร่างกายนี้ไม่ยชดตัวเราเราไม่ได้เป็นธาตุสีเราเป็นธาตุ ร, รู้คือผู้รู้นั้นถ้าเราถ้าเราจะละส ก, กายยะทิฏฐิได้เราต้องปล่อยวางร่างกายได้ ไม่กลัวความแก่ไม่กลัวความเจ็บไม่กลัวความตายของร่างกายคุณสลาวุฒครับเรียนถามพระอาจารย์ครับเวลาเราทนนําดีสวดมนต์ไหว้พระและปฏิบัติธรรมชอบฟังธรรมะทําไมถึงมีพยามารมากวนในจิตใจครับเพราะเป็นเพราะกรรมเก่าหรือเปล่าครับส่วนนี้ก็คือคือกิเลสตัณหาของเรามันยังเป็นกําลังมาก ถ้าสติของเรามันมีกําลังน้อยไ ม, ม่สามารถที่จะจดจ่อยอยู่กับการฟังธรรมได้อย่างต่อเนื่องเดี๋ยวความคิดทำกิเลสมันก็พผล่ขึ้นมาได้เวลาจเจริญสมาธิโดยกําหนดพุทโธรบกวนสอบถามพระอาจารย์ว่าระหว่างกําหนดพุทโธต้องเพ่งยุบพองที่ทองหรือเปล่าคะเช่นท้องพองก็กําหนดพุททองยุบก็กําหนดโทอย่างนี้หรือเปล่าคะไม่ต้องแล้วแต่เราอยากจะ ดูที่ท้องด้วยก็ได้ไม่ดูก็ได้แล้วแต่เราอันนี้เราพุโทโธอย่างเดียวก็ได้ไม่ต้องดูท้องเลยก็ได้ครับคุณเบญจาบอกว่าเรียนถามพระอาจารย์ครับการบรรลุธรรมของคารวาะเป็นอย่างไรครับก็เหมือนกับก่อับ ข, ข, ของพระบรรลุธรรมก็คือดับความทุกข์ได้จนวันนี้สามีทิ้งเราไปเราไม่ทุกข์เรายิ้มได้เราสบายใจเอาเข้าไปเข้าไปห้ามก็ไม่ได้ อันนี้ก็คือบรรลุธรรมนะในระดับของคาราว่าคือสูญเสียสามีไปแต่ไม่ทุกข์กับการสูญเสียนั้นไปคุณปุ้ยครับนััสการพระอาจารย์ค่ะวันนี้ข อ, อกาสถามก่อนนี้เวลานั่งสมาธิแล้วร่างกายเผอลอกินน้ำลายจะต้องฝืนไม่ให้กลินจนเป็นผู้ดูกลินก็รู้ว่ามันกลินมองดูความเป็นไปเราควรนิ่งหรือตามดูอาการที่เกิดกับร่างกายครับ ไม่ไปสนใจกับร่างกายเลยให้อยู่กับการภาวนานของเราถ้าเราใช้พุโทโธก็ให้อยู่กับพุโทโธแล้วอาการอะไรต่างๆก็อย่ายไปให้ความสําคัญอย่ายไปสนใจน้ำงานมันจะหลายก็ปล่อยมันหลายออกมามันจะคันตรงไหนก็ปล่อยมันคันไปมันจะอจะเข้าสมาธิได้ถ้ามัแต่มาภาวนากับเรื่องของร่างกายมันก็ไม่สามารถที่จะเข้าสมาธิได้ ลูกไม่อยากใกล้สามีเลยแล้วไปปฏิบัติอย่างจริงจังแต่ติดภาระผูกพันผูกลูกก็ได้แต่คิดว่าต้องเร่งปฏิบัติก่อนจะสิ้นชีวิตในชาตินี้ถึงจะได้ไม่เต็มที่เพราะภาระทางครอบครัวมีนี่ลูกสามีค่อยๆสะสมไปแบบนี้ลูกทำถูกไหมคะลูกสามีใคระนะมีนี่ลูกสามีค่อยสะสมอะไรไป เหมือนก็ค่อยๆสะสมบุญไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับาาอาจารย์ยังมีภาระมีหนี้ศีลอยู่อย่างเงี้ยครับก็ทำได้เท่าไหร่ก็ทำไปเท่านั้นน่ยทำทานรักษาศีลภาวนาได้มากเท่าไหร่ก็ทำไปก็ก็ถูก คุณ t r ีอครับเคยตื่นมาตอนกลางคืนแล้วตกใจคิดว่าสิ่งที่เห็นเป็นผีแต่พอชั่วขณะนึกขึ้นได้ว่าจิตเราน่าจะปรุงแต่งมีสติขึ้นแต่ความใจสั่นยังคงอยู่แบบนี้แสดงว่ากำลังสติยังไม่พอใช่ไหมครับใช่สติปัญญา ย, ยังไม่พอใจยังยังหลงอยู่คุณเจทีครับกราบขอพระอาจารย์เมตตาช่วยอธิบายความแตกต่างอ๋อ ของสติกับสัมปชัญญะครับสตินี่ก็คือการระลึกเรื่อง่วขนาดหนึ่งก็เรียกว่าสติเป็นพูดโธคําหนึ่งก็เรียกว่าสติถ้าสามารถพูดโธไปยาวไม่ไม่ขาดตอนก็เรียกว่าสัมปชัญญะคุณศรีชัยครับการถวายพระพุทธรูปทุกขนาดตามกําลังให้กับสถานที่ต่างๆกับการถวายหนังสือมนต์พิธีแปลหรือหนังสือธรรมะ อันนี้สงส์ต่างกันอย่างไรครับผู้ให้มันได้ได้ได้ได้ได้ได้เหมือนกันคือได้บุญที่เกิดจากการเสียสละเงินไปซื้อของเหล่านี้มาแต่ผู้ที่รับนี่เขาก็จะได้รับประโยชน์ต่างกันพอุทาทิพย์ก็มีประโยชน์อย่างหนึ่งนังกศึกษาเงินก็มีประโยชน์อย่างหนึ่งนักศึกษาธรรมะก็มีประโยชน์อีกอย่างไม่เหมือนกันเหมือนให้เสื้อผ้าอย่างหนึ่งให้อาหารอย่างหนึ่งให้ยารักษาโรคอย่างหนึ่งคนให้ ก็ได้บุญเหมือนกันไม่ว่าจะให้เสื้อผ้าหรือให้ยารักษาโรคเนื้อให้อาหารแต่คนนั่งนี่จะได้ประโยชน์ต่างกันได้เสื้อผ้าก็เป็นประโยชน์อย่างหนึ่งได้อาหารก็เป็นประโยชน์อย่างหนึ่งคุณณทัศพักครับเรียนถามพระอาจารย์ครับกรณีห้องพระที่บ้านเราต้องบูชาพระด้วยอาหารทุกเทียนใหม่ครับผมสวดเป็นการบูชาแทนได้ไหมครับได้ใช้ปฏิบัติบูชาไปบูชาด้วยการกราบระพอ แล้วก็นั่งสมาธิไปไหว้พระสวดมนตน์ไปครับคุณขันห้าครับครอบครัวหนึ่งติดเหล้าการพ น, น, านันลูกๆ ก, ก็เป็นไปด้วยแล้วก็มีแต่ปัญหาการเงินทำให้ต้องไปยืมคนอื่นรวมทั้งโยมด้วยส่วนมากไม่ได้คืนเป็นประจำอย่างนี้20ปีที่รู้จักโยมต้องทำอย่างไรเจ้าคะ่ะก็ถ้าไม่อยากจะเสียเ ง, งินก็อยู่ท่ายเขาไปนั่นเอง เขาต้องเลือกเราเระหว่างเพื่อนกับเงินเจ้าอย่างไงถ้ายังรักเพื่อนอยู่ก็ต้องให้เงินเข้าไปหรือเลือก mm hmm. เขาก็จะเป็นเพื่อนเราแต่ถ้ารารักเงินมากกว่าเพื่อนแล้วก็เก็บกันเอาไว้ไม่ต้องให้เขาไปเขาก็จะไม่มาเป็นเพื่อนเราอีกต่อไปคุณจุไรัดครับมีความหงุดหงิดง่ายควรฝึกอย่างไรก่อนเจ้าคะก็ฝึกสติเนี่ยแหละให้มีสติคอยระงาอารมณ์ พอมีอารมณ์ขึ้นมาก็หงุดหงิดขึ้นมาทันทีถ้ามีสตินี้จะสามารถควบคุมอารมณ์ให้ให้น้อยลงเบาลงได้แล้วความหงุดก็จะน้อยลงตามเองคุณรัตนามณีครับถ้าสติอ่อนกิเลสจะชัดมากแล้วกําลังเหนือสติครับใช่กิเลสกับกิเลสกับสตินี้มันคู้กู่ต่อสู้กันฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอ่อนกว่าฝ่ายนั้นก็จะถูกลุกลาน ฝ่ายไหนที่มีกําลังมากกว่าฝ่านั้นก็จะลุกลานฝ่ายที่อ่อนแอกว่าคุณธนพรครับเวลาพระบรรลุธรรมท่านจะรู้ได้อย่างไรว่าท่านบรรลุธรรมครับท่านลงท่านหายทุกท่านหายทุกท่านทุกข์กับเรื่องนั้นพอท่านบรรลุธรรมท่านก็เรื่องนั้นเดี๋ยวก็เรื่องนั้นก็หายไปทุกข์หายไปเช่นท่านเป็นเมะเล็งอย่างเงี้ยแล้มอบอกรักษาไม่ให้ตอนต้นท่านก็ทุกข์ ตอนหลังท่านมาพิจารณาว่าร่างกายมันต้องเป็นอย่างนี้ต้องเจ็บต้องตายแ้วท่านยอมรับ ม, มันได้ความทุกข์ใจก็หายไปท่านก็บรรลุธรรมคับได้คุณสครับขณะที่กําลังลุกจากที่นอนกลับเห็นร่างกายตัวเองนอนอยู่และยังเห็นความรู้สึกปวดท้องเกิดขึ้นสองสิ่งนี้แยกกันและเราเหมือนแยกออกมาเห็นเฉยเฉยสภาวะนี้ใช่รูปนามแยกกันไหมครับ ก็รูปก็คือร่างกายนามก็คือใจใจเป็นผู้เห็นร่างกายก็เป็นแล้ว่ายากกันหรือไม่ก็แล้วแต่จะจะว่าไปความจริงก็คือให้ให้รู้ว่าทั้งสอ ง, อ ย, งอย่างนี้ไม่ใช่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและเวลาอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นอะไรอีกอี ก, อ, กอีกส่วนหนึ่งต้องไม่เกิดความวิตกกังวลไม่ต้องเกิดความหวาดกลัวขึ้นมาถึงจะไว่แากรูปไม่แยกนามกันได้อย่างจริงๆ เพราะน้เกิดเราเห็นว่าเราเป็นเราเป็นคนเห็นร่างกายร่างกายไม่ใช่เราแล้วเวลาร่างกายจะตายจะเป็นอะไรแล้วเราไม่ทุกข์กับมันก็ แ, แสดงว่าเราแยกกายแยากใจได้แยกรูปแยกนามได้แต่ถ้าเรายังทุกข์กับรูปอยู่เวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยหรือจะตายเรายังทุกข์อยู่ก็ แ, แสดงว่าเรายังแยกเรายังแยกไม่ได้คุณจันมาครับถ้ามีเสียงดังตอนเราเผลอเช่นเสียง ประทัฟ้าผ่าฟ้าร้องแล้วเราไม่ตกใจถือว่าเราคลองสติดได้ระดับหนึ่งแล้วใช่ไหมครับใช่คุณจินกับเรียนถามพระอาจารย์ค่ะถ้าชาติหน้าเราไม่อยากกลับมาเกิดอีกเราต้องปฏิบัติธรรมถือศีลแปดตลอดชีวิตไหมคะหรือศีลห้าแล้วต้องมีทานศีลภาวนาวรกี่ชั่วโมงคะก็แล้วแต่ว่าเราอยากก็เสร็จสาเร็จแล้วหรือสเร็จชาสําเร็จแล้วก็ต้องปฏิบัต เต็มที่เลยตั้งแต่ตื่นจนหลับถ้าถ้าไม่ปฏิบัติเต็มที่มันก็จะช้าอาจจะไม่ทันการอาจจะตายก่อนก็ได้ก็อยู่ที่เราว่าเราอยาเราปฏิบัติมากน้อยเพียงไรคุณเข็มจีลาครับให้เพราะสงสารถือเป็นการทําบุญไหมครับเป็ น, เ, ป น, เ, ปนเวลาสงสารใครเ ข, า, เขาทุกข์ยากเดือดร้อนก็ช่วยเหลือเขาอันนี้ก็เป็นการทําบุญอย่าง คุณสราวุธครับเรียนถามพระอาจารย์ครับทำไมการฝึกใจให้เกิดความสงบจึงทําได้ยากครับเพราะใจมันเคยเป็นอิสระมานานนะไม่เคยถูกควบคุมบังคับพอามาถูกควบคุมบังคับมันเลยต่อต้านต่ อ, ต อ, ตอสู้อย่างอย่างรุนแรงจึงทําให้การการควบคุมใจให้สงบจึงเป็นสิ่งที่ทำได้ยากมาก อาจารย์ครับผมลืมไปว่าคําถามนี้ถามหรือยังครับอาจารย์การฝึกสติต้องเริ่มอย่างไรเจ้าค้านี่ถามเลยก็เริ่มด้วยการท่องพุทโธไปการลืมตาขึ้นมาตึ่นขึ้นมาก็เริ่ม ท, ท่องพุทโธไปอย่าปล่อยให้ใจคิดเรื่อยๆถ้าไม่จาเป็นจะต้องคิดอย่าอย่าปล่อยให้คิดให้ให้ใช้พุทธให้คิดพุทโธแทนนั่นจะมีสติค่อยๆจะมีสติเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ คุณหัวใจครับสวดมนต์ก่อนนอนสวดบทไหนบ้างครับนอกแต่เราสวดได้ทุกบทสวดบุไหนก็ได้เป้าหมายของการสวดเพื่อทําให้ใจเราสมมางบงั้นถ้าเราเราก็ลองเลือกบทไหนที่เราสวดแล้วทาใจให้เราสงบแล้วก็ เ, าเอาบท น, นั้นก็ะลักกันครับจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามครับช่วยพี่น้องด้วยความจําเป็นอย่างนี้ได้บุญไหมครับ ได้ได้เหมือนกันคุณทัศนิตครับกาบเรียนถามพระอาจารย์ขันนูมีปัญหากับทางบ้านตลอดเลยค่ะน้องชายที่เคยบวชอดข้าวจนน้ำตาลตกเกือบตายเดินไม่ได้ตอนนี้ก็ป่วยโรคซึมเศร้ากลายเป็นเด็กกลายเป็นติดเกมไม่กินข้าวแล้วก็ป่วยวนเวียนไปตลอดส่วนพ่อแม่ก็กินเหล้าติดหวย เป็นหนี้ให้หนูตามใช้ตลอดหนูสวดมนต์นั่งสมาธิทุกวันแต่ก็รู้ว่าจิตเราไม่นิ่งพอไม่รู้เลยว่าจะแก้ปัญหายังไงดีครับก็ปล่อยวางเขาได้ก็ปล่อยวางเข้าไปปล่อยให้เขาเป็นไปตามบุญตามกรรมของเราเราทําเท่าที่เราทําได้โดยที่ไม่เดือดร้อนถ้าเราเดือดร้อนเราก็ต้องรู้จักลดการกระทํำลดการช่วยเหลืออย่าทําให้ตัวเราต้องเดือดร้อนเป็นกับการช่วยเขาดูแลเขา คุณธรรมประการครับระหว่างภาวนามักเห็นอะไรสักอย่างแยกห่างออกมาจากกายนิดหนึ่งโดยอยู่สูงประมาณต้นคอด้านหลังห่างออกประมาณ1เซนแบบนี้คำว่าอะไรสักอย่างคือผมคิดไปเองหรือเป็นผู้รู้ ด, ดวงจิตหรือว่าอะไรครับเป็นความคิดปรุงแต่งของจิตคุณปาริชาติครับ การฝึกท่องพุโทโธถ้าตั้งจิตท่องพุโทโธโดยไม่ตามลมหายใจได้เหมือนกันใช่ไหมเจ้าคะได้ใช้พุโทโธอย่างเดียวไม่ต้องใช้ลมหายใจคุณเจทีครับกราบขอความเมตตาพระอาจารย์ช่วยแนะว่าเมื่อเรามีความเมตตาแล้วทําอย่างไรเราจึงจะสามารถมีอุเบกขาได้ครับ อ, อ๋อมันคนละอย่างกันอุเบกขาจะมีก็ต้องเกิดจากการเราฝกฝึกสตินั่งสมาธิ จะทำใจให้เราสงบเราก็จะนับมีอุเบกขาเกิดขึ้นมาอาจารย์ครับตอนนี้คาถามที่สดนี้หมดครับแต่มีคนฝากถามเอาไว้ครับอบอกทุกท่านว่ามีคำถามอะไรเพิ่มเติมก็ส่งเข้ามาได้นะครับคำถามฝากถามครับเมื่อจิตรวมถึงฐานจิตสลัดความสงบแล้วมารู้ถึงสังขารที่ปรุงแต่งที่เกิดดับอยู่ต่างหากโดยไม่ได้ตั้งใจ กระทำถือว่าจิตเดินวิปัสนาเองใช่หรือไม่และควรปฏิบัติต่ออย่างไรครับไม่หรอกแสดงว่าจิตมันสังงอแป๊บเดียวแล้วมันก็เริ่มไปคิดปรุงแต่งใหม่เราก็ต้องพยายามหยุดความคิดอย่าปล่อให้มันคิดช่วงที่เราทําสมาธินี่เราต้องไม่ไม่ต้องการให้มันคิดไม่จะคิดไปทางปัญญาก็แม่มันคิดนะครับจากคุณจันทวันโนครับคนที่นอนหลับแล้วไม่ตื่นขึ้นมาอันนี้ เครื่องมือเสียหรือจิตเสียครับอ๋อจิตไม่เสียแร้วเป็นที่ร่างกายร่างกายมันหยุดทํางานก็เลยไม่ตื่นขึ้นมานอนหลับแล้วไม่ตื่นขึ้นมาคุณอันคุณจีครับการบวชเนื่องในโอกาสต่างๆเช่นเจ็ดถึงสิบวันมีประโยชน์หรือไม่ครับก็มีประโยชน์แบบเล็ก ๆ, ๆน้อยๆอย่างน้อยเราก็ได้ละเว้นการเสพบ๊าย อบายมุขการรักษาศีลได้ช่วงสั้นๆก็ดีกก่าไม่ได้บวชนะอาจารย์เห็นครูบาอาจารย์บางคงท่านบวชกะบวชไม่กี่วันแล้วก็อยู่ยาวไปเลยก็มีนะครับอาจารย์มี่นีอยังลงตามมาบวชท่านก็ไม่กะท่านก็คิดว่าคงจะบวชตามมาเพณีเพราะพ่อแม่ขอร้องให้บวชแต่พอบวชไปแล้วท่านก็เริ่มท่านเป็นคนเอาจริงอาจารย์พอบวชแล้วก็ทําหน้าที่ศึกษาปฏิบัติไป ว่ะเห็นคุณค่าของของการได้บวชได้เรียนก็เลยอยู่ต่อไปคุณเด็กกี้ครั บ, รบภาวนาพุทโธติดแนบกับใจไม่ให้ห่างทุกเอเรยาบทจนเกิดอารมณ์สมาธิเด่นดวงตลอดเวลาอย่างอัศจรรย์แต่จิตไม่อยากหลับอยากนอนเลยแม้หยุดพุทโธแต่จิตตัวรูก้ก็ยิ่งสว่างเด่นชัดขอคำแนะนำพระอาจารย์ในลำดับต่อไปครับ ก็ทําไปถ้าให้หลับก็ทําไปเดี๋ยวมันร่างกายมันเหนื่อยจริงๆริงมันก็หลับเองคุณตวงฤทธ์ครับกลับยนถามพระอาจารย์ครับพระออกกําลังกายเล็กๆน้อยๆเช่นโยคะได้หรือเปล่าครับส่วนใหญ่พระท่านจะใช้การออกกําลังกายด้วยการเดินโยกมือการเดินบินธบส่วนถ้าท่านอยู่ในกุฏิถ้าท่านจะใช้การยืดเส้นยืดสายทากายภาพก็สามารถทําได้เพียงแต่ว่า ท้านไม่ทำในที่สาธารนณะท่านเองคุณทริออสครั บ, รบตอนนี้ปล่อยให้คุณพ่อสูบบุหรี่ตามที่ท่านอยากแล้วค่ะผลคือท่านสูบเกิดจากวันละซองถ้าเราไม่ให้เงินท่านเพิ่มอีกเวลาที่ท่านขอบาปไหมครับไม่บาปแร้คุณเขมจิลาครับสอบอารมณ์คืออะไรครับ ก็เป็นการทดสอบอาจารย์ทดสอบลูกศิษย์ว่ามีคุณธรรมอย่างไรอย่างหนึ่งไหมเช่นทดสอบดูว่าโกรธได้ไหมยังโกรธอยู่หรือเปล่าก็เป็นการทดสอบอารมณ์หาวิธีกระตุ้นทําให้เกิดอารมณ์ขึ้นมาในใจของคนที่ท่านทดสอบเดี๋ยวว่าจะมีกรามโลภหรือคําโกรธหรือไม่ก็เรียกว่าเป็นการทดสอบ คุณสมพร้อมครับพระบางองค์มรณภาพและกระดูกแปลสภาพเป็นแก้วใสหรือที่เรียกว่าพราธาตุเป็นเพราะเกิดจากอะไรครับถ้าเป็นพระอรหันต์นี่ใจของท่านจะสาดบริสุทธิ์แล้วใจสาดบริสุทธิ์ก็จะฟอกร่างกายบางส่วนกระดูกบางส่วนให้กลายเป็นาธาตุขึ้นมาได้คุณเบญจาครับ กลับเรียนถามพระอาจารย์เพื่อนชวนไปทําบุญแต่พอขึ้นรถชอบนินทาเพื่อนคนอื่นๆเราควรทําอย่างไรจึงจะไปด้วยหรือไม่ไปด้วยคะเพราะแล้วแต่เถ้าเราไม่อยากไปก็บอกเขาไม่ไปก็แล้วกันคุณพลพัฒน์ครับเวลานั่งสมาธิแล้วเวลานอนหลับไม่สนิทเหมือนจิตตื่นอยู่ตลอดแต่ก็ไม่เพลียแต่ตาจะดูโรยหน่อยควรแก้ไขยอย่างไรดีครับไม่น่าจะ เกิดจากการนั่งสมาธินะนั่งสมาธิจริงๆแล้วถ้าจิตสงบนอนหลับปุ้ยนอนหลับสนิทเลยอาจะเกิดจากที่เราจิตเรายังมีความคิดปุุงแต่งอยู่มันก็เลยทำให้นอนไม่นอนคำถามฝากถามครับอาจารย์ครั บ, า ก, บรรการนักพิสการขอสอบถามค่ะขนาดนั่งสมาธิเกิดสภาวะมีแสงสว่างเกิดขึ้นครอบทั้งตัวจะปฏิบัติอย่างไรให้ข้ามสภาวะนี้ครับ ก็พบกภาวนาต่อไปพุโทโธต่อไปแล้วดูรงมต่อไปไม่ต้องให้ความสำคัญไม่ต้องสนใจกับภาวะที่เกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็หายไปเองจะทราบได้อย่างไรว่ามีสมาสมาธิครับก็จิตสงบเน่งมีความสุขมีอุเบกขาวางเฉยได้ ตอนเป็นเด็กจิตเบาลอยออกจากร่างแล้วรู้สึกตัวรู้ว่าจิตออกและมักจะรับรู้สื่อสารกับวิญญาณได้พอโตขึ้นกิเลสมากขึ้นสิ่งเหล่านี้หายไปเกิดจากอะไรครับก็เกิดจากงานที่จิตไม่สงบและจิตสงบ ม, มันถึงจะเห็นได้การวางเฉยคือการไม่สนใจไม่ใส่ใจต่อทุกอย่างในตัวบุคคลที่เราไม่ชอบการติดแบบนี้คืออุเบกขาใช่หรือเปล่าเจ้าคะ ไม่ใช่แล้วการอุเบกขาก็คือเราไม่มีอารมณ์กับสิ่งที่เราไปรับรู้เช่นเขาพูดชมเขาด่าเราเราก็รู้เราก็เฉยเฉยไม่ไม่มีอารมณ์ตอบโต้กับเขาไปเฉยแบบรับรู้ทุกอย่างมีการรับรู้รับผิดชอบทุกสิ่งทุกอย่างแต่ไม่มีอารมณ์กับสิ่งที่มันรับรู้รับผิดชอบด้วยคุณธนวันครับ การทำสมาธิช่วยรักษาร่างกายให้หายป่วยช่วยฟื้นฟู ร, ร่างกายได้ใหม่ครับถ้าความป่วยของร่างกายเกิดจากความไม่ปกตขิของจิตก็ช่วยได้บางครังเป็นโรคจิตแล้วโรคที่ทําให้เกิดมีสภาพความเครียดอย่างเงี้ยจิตมีความเครียดก็อาจจะไปทําให้ร่างกายเกิดโรคขึ้นมาได้เช่นความดันอะไรต่างๆนั้กัส่วนหนึ่งก็เกิดจากความเครีย พอเราทำใจให้สงบผ่อนครียได้อาอการของความดันก็ก็อาจจะดีขึ้นได้าตามคุณไร้เทรนครับจิตเศร้าหมองจิตตกยกจิตไม่ขึ้นควรปฏิบัติอย่างไรครับจริ่สติไปพุโทโธพุโทโธไปเดี๋ยวก็กลับขึ้นมาจากคุณเสียงทำพระกรรมฐานโอช่องนี้ผมเคยฟังครับอาจารย์ขอโอกาสอาจารย์ กลับเรียนถามพระอาจารย์ครับอารมณ์ใจกับอารมณ์จิตต่างกันอย่างไรขอรับขอกลับนักสการด้วยครับขอรบครับอันเดียวกันจิตกระจายนี่เป็นตัวอันเดียวกันอารมณ์ของจาอารมณ์ออมณอของจิตก็คำว่าจิตกระจายนี้บางทีเราก็ใช้ทดแทนกันได้คุณนทัทธสภักครับถามพระอาจารย์กรณีทักทายสวัสดียามเช้าทักราตรีสวัสด์กับแม่ คนรู้จักถือเป็นกิเลสไหมครับไม่หรอกก็เป็นการแสดงความเมตตาต่อกันแสดงความเป็นมิตรภาพต่อกันไหวใจ ก, กันก็ทักทายกันสวัสดีสบายดีหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นธรรมเนียม ว, วิธีการแผ่เมตตาแบบหนึ่งคุณอาจตัวเองสวดมนต์ไม่เพลาะเลยเหมือนผู้เฉยๆบุญเกิดเท่ากับสวดเพาะๆไหมครับ ไม่เดลามุมงอยู่ที่ว่าส่วนต้อสงบหรือไม่สงบมากกว่าไม่ใช่เพราะหรือไม่เพราะคุณสมพร้อมครับพระองค์หนึ่งท่านพูดว่าในอนาคตไทยจะเหลือแต่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะไม่มีแล้วเพราะต่อไปคนไทยจะบวชน้อยลงไปเรื่อยๆและไม่ยอมบวชตลอดชีวิตเรื่องนี้จะเกิดขึ้นจริงๆไหมครับมันก็เป็นเป็นขั้นตอนของความเสื่อมของพระพุทธศาสนาไม่ใช่แคอยู่ในประเทศไทยอย่างเดียว ที่ไหนก็ตามพุทธศาสนาพระเจ้าก็ท่งทำนายแล้วว่ามันจะค่อยๆหดไปเรื่อยๆ ค, คุณสลาวุฒครับเวลาเรามีความเจ็บป่วยทางร่างกายทำไมจิตของเราถึงเศร้าหมองและเป็นทุกข์ครับเพราะเราอยากให้มันหายเราไม่อยากให้มันเจ็บไข้ได้ป่วยความอยากนี่เป็นตัวที่ทำให้เราทุกข์ให้เราใจเราเศร้าหมอง คุณบีวิสครับถ้าเป้าหมายเราคือบรรลุโสดาบัลในชาตินี้เราต้องปฏิบัติอย่างไรครับ่บอยวางร่างกายให้ได้อย่าไปถือว่าร่างกายเป็นตัวเราของเรามองร่างกายว่าเป็นเหมือนร่างกายของคนอื่นร่างกายของคนอื่นจะเป็นจะตายแล้วไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนอย่างไรเราก็ต้องมองร่างกายของเราว่ามันเป็นอะไรเราก็ไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนกับมันไปทีนี้เราก็เป็นโซดาบัลได้ คุณปูเป้ครับพระอาจารย์คะก่อนหนูผ่าสมองมีเหตุการณ์ลดความมาก่อนเพระเหตุการณ์ที่เกิดเคยที่เคยเกิดขึ้นเช่นเคยลดควาททำให้ย้อนไปพิจารณาเหตุการณ์ทางธรรมเช่นว่าหนูเคยกลัวตายเอามาประเมินปัจจุบันว่าต่างกันไม่ได้กลัวตายความฝันหนูไม่มีแต่ยังมีความคิดเหตุการณ์เก่าเอามาใช้พิจารณาตัวหนูเองความคิดหนูพาพิจารณาเองแบบนี้เกิดขึ้นได้ไหมครับ มันเกิดขึ้นแล้วไม่ใช่เลยความคิดมันก็สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลานัดแต่เรื่องที่มันจะคิดมันก็มีหลากหลายด้วยกันอยู่ที่เรามีสติขอยหยุดมันหรือเปล่าถ้ามันคิดไปในทาง ท, างที่ไม่ดีสำคัญอยู่ที่ว่าเรากูกควบความคิดได้หรือเปล่าถ้าจจคิดไปในทางธรรมก็ปล่อยมันคิดไปถ้ามันคิดไปในทางกิเลสก็ต้องต้องใช้สติใช้ปัญญาหยุดมันเท่านั้นเอง คำถามสุดท้ายครับครบหมดพอดีเลยครับอาจารย์จะคุณรักษาครับถ้าเขามาให้ทําบุญตอนแรกเขาบอกว่าแล้วแต่ศรัทธาแต่ตอนหลังเขาเอากระดาษมาให้จดว่าทำมาเท่าไหร่เพราะจำใจจะได้บุญไหมครับได้บุญอนะวววเวลาเสียสารเงินทองไปเราก็ได้บุญแล้วเพียแต่ว่ามันอาจจะได้บุญเพราะถูกบังคับมากกว่า ทำด้วยความสมัครใจอาจจะได้บุญมากบุญ น, น้อยต่างกันก็ได้ตรงนั้นพรบอาจารย์ครับขอโอกาสครับวันนี้เพื่อนๆร่วมฟังธรรมกันอยู่ในเฟซบุ๊กหก7้อยเจ็ดสิบเจ็ดคนในยูทู u b e ร้ยสิคนในครับเฮาส์ิบสี่คนครับรวมมีเพื่อนๆฟังธรรมอยู่ด้วยกันหนึ่งพันสามรอสิบอคนครับอาจารย์ครับก็ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ให้ความสำคัญที่ เห็นเห็นความสําคัญของการสั่งเทศสั่งธรรมและหวังว่าคงจะได้รับประโยชน์และนําไปใช้ให้เกิดการปฏิบัติที่ก้าวหน้าต่อไปการแสดงธรรมตลอดวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิจิตพิจารณาไปปฏิบัติแล้วความสุขความเจริญก้าวหน้าในทายงยิ่งขึ้นไปเอทอญสาธุขอลา ท่านผู้ชมผู้ฟังและคุณหมอให้เพลงเท่านี้แถ้าไม่มีอะไรขัดข้องก็คงจะได้พบกันอีกในอาทิตย์หน้าเวลาเดิมขอจเจริญพรกับพระคุณพระอาจารย์ครับ